ศาสนาพุทธนะศา ส, สนาที่เหมกับปัญญาชนเนศาสนาที่ไม่ได้พึ่งพาสิ่งภายนอกเนศาสนาที่สอนให้เราพึ่งพาสติพึ่งพาปัญญาของตัวเองอยังถ้าเราดูให้ดีนะอย่างพระพุทธเจ้าก็เป็นกษัตริย์พระโมคคัลลาพระสารีบุตรพระดังๆพระนอนุนพระอะไรเนี่ยปัญญาชนทั้งหมดเลยธรรมะของพระเจ้าเนี่เหมาะกับคนเรื่องมีสติมีปัญญา เหมาะว่าคนที่คิดจะช่วยตัวเองพึ่งตัวเองไม่ใช่พึ่งสิ่งอื่นนะนนธรรมะของพระเทสจ้าเป็นของประหลาดนะอัศจรรย์มากเลยคาสอนของท่านเนี่ยมันกลับข้างกับความรู้สึกทั่วๆไปของคนทั่วทวไปนะอย่างคนทั่วไปเนี่ยอยากมีความสุขอยากจะหนีความทุกข์พระเทสจ้ า, จาไม่ได้สอนอย่างนั้นท่านมีความสุขมามากแนละ้วเป็นเจ้าฟ้านะ มีทุกสิ่งทุกอย่างสมบูรณ์ที่คนในโลกเขาอยากจะมีแล้ท่านก็เห็นว่ามันยังไม่มีสาระอะไรเลยเป็นความสุขมีเงินมากมีทรัพสมบัติมากมีอีหนูมากๆอนะไรเนียสุดท้ายท่านก็เหน็นยังไม่ใช่สาระแก่นสารยังมีอะไรที่น่าจะดีสำหรับชีวิตเรามากกว่านั้นอีกท่านก็เลยทเที่ยวแสวงหาคำตอบอะไรที่ดีที่สุดสาหรับชีวิตนะ ที่มาสัมผัสได้แล้วนี่จะไม่ทุกข์อีกแล้วไม่ต้องเดือดร้อนเพราะความแก่เพราะความเจ็บเพราะความตายเพราะความพลัดพรากจากสิ่งที่รักเพต้องเจอกับสิ่งที่ไม่รักเนี่ยสัจธรรมที่ท่านค้นพบนะก็มุ่งมาสู่จุดที่จะปลดเรื่องจิตใจออกจากความทุกข์ให้ได้นะไม่ใช่วิ่งหาความสุขแต่มุ่งปลดเรื่องความทุกข์ออกไป ว่าจิตใจปราศจากความทุกข์จิตใจกลับมีความสุขที่มหาศาลเลยเป็นเรื่องแปลกประหลาดมากนะมันไม่ไม่มีใครคิดถึงมา ก, ก่อนใครๆก็อยากได้ความสุขท่านเห็นว่าความสุขเป็นของหลอกๆใครใคก็เกลียดความทุกข์ไม่อยากเจอความทุกขนะ์ท่านสอนให้เราเรียนรู้ทุกข์เข้าไปเผชิญกับปัญหานะเงินธรรมะของท่านเนี่ยไม่ใช่คนทั่วๆไปจะเรียนได้หรอกก็คน ถ้าพูดภาษาโบราณบอกต้องมีบุญวาสนามากพอถ้าพูดสมัยใหม่น่ยก็ต้องมีสติปัญญามากพอถ้าโง่อีเดียดเลยก็เรียนมันยากเข้าใจ ย, ยากธรรมะของพระธเจ้าพวกเราเรียนวิศวะนี่ก็ถือว่าเป็นคนชั้นหนึ่งนะเป็นคนระดับชั้นหนึ่งของสังคมน่ะไม่ใช่เรียนได้ไง่ายๆวิศวะนะเข้าก็ยากะจบก็ยากบางคนก็ไม่จบ เรียนแล้วจบซะก่อนจบซะก่อนจะเรียนจบนะมีเยอะนะสมัยก่อนวิศวะรีทายเยอะมากเลยเดี๋ยวนี้ไม่รู้เยอะไหมนะลูกศิษย์หลวงพ่อเนี่ยเป็นวิศวะเยอะมากเลยนะหมอกับวิศวะเนี่ยเยอะมาเรียนธรรมะงั้นพวกเราลองมาฟังธรรมะนะดูไม่เหมือนที่เคยฟังหรอก ไม่ใช่เรื่องนั่งหลับตาเข้าสมาธิอย่างเดียวหรอกธรรมะไม่ตื้นแค่นั้นหรอกธรรมะมันเป็นเรื่องของการพัฒนาจิตใจของเราเองทำไงเราจะพัฒนาจิตใจของเราได้การฝึกจิตฝึกใจนะมันมีสองแบบแบบที่หนึ่งเนี่ยฝึกจิตให้สงบมีความสุขมีความสงบแบบที่สองเนี่ยฝึกจิตให้ฉลาด ให้มีปัญญาเข้าใจความเป็นจริงของชีวิตเข้าใจความเป็นจริงของโลกก็ attitude, รู้ความจริงของชีวิตของโลกแล้วเนี่ยความทุกข์จะหายไปตัวที่ทำลายความทุกข์ได้เด็ดขาดในใจเรานกะ็คือตัวปัญญานั่นเองความเข้าใจถ้าเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตนะความทุกข์มันจะแผ่วผ่านเราไม่ได้หรอกถ้าเราไม่เข้าใจในไร้เดียงสากับโลกไล่เดียงสา y in y in กับชีวิตความทุกข์ถึงจะแผ่วผ่านเราได้ แวันนี้หลวงพ่อจะคุยให้พวกเราฟังสองเรื่องนี้แหละพิธีที่จะฝึกจิตใจให้มันสงบนะถ้าจิตใจเราสงบเนี่ยเราไปทํางานดีไปเรียนหนังสือก็ดีนะใช้ชีวิตทางโลกได้สบายอันที่สองเนี่ยมาฝึกใจให้เข้าใจความจริงของชีวิตของโลกอันนี้ถ้าเราอยู่กับโลกนะก็เป็นมนุษย์ชั้นเลิศเลยคนอื่นเขาทุกข์กันปางตายเราไม่ค่อยทุกข์เท่าไหร่หรอกคนอื่นเขาทุกข์นานเราก็ทุกข์สั้นๆไม่เหมือนคนทั่วๆไป คนทั่วไปเวลาเขาทุกข์นะเขาทุกข์เขาจมอยู่กับความทุกข์นั่นแหละอกหักขึ้นมาก็ทุก์อยู่ได้นานหลายเดือนถ้าเราได้ฝึกจิตฝึกใจของเราแล้วนะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตชีวิตนี่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนนะอย่างพวกเรานั่งกันตาแป๋วๆอยู่เนี่ยไม่แน่นะว่าจะมีชีวิตอยู่จนเรียนจบทุกคนสมัยหลวงพ่อเป็นนักศึกษาก็มีเพื่อน ร่วมรุ่นตายทั้งแต่ยังไม่จบก็มีนะเนชีวิตเป็นของแม่แน่นอนบางทีเราอยู่กับพ่อกับแม่เรานะพ่อแม่เราตายไปอย่างเงี้ยนะี่ฉับพลันพี่น้องเราตายไปคนที่รักคนที่เรารักนอกใจเราอะไรเนงะี้ยสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในชีวิตเราได้เมื่อไหร่ก็ไดนะ้ถ้าเราไม่มีสติไม่มีปัญญาเราก็จะจมอยู่กับความทุกข์นะแต่ถ้าเรามีสติปัญญาเราจะช่วยตัวเองให้พ้นจากความทุกข์ได้อย่างรวดเร็วเลย ยพยายามเรียน่นนะลำพังพวกเราหลวงพ่อพระปาเป็นพวก IQ คสูงนะมาพัฒนาให้ e อคิเป็นสูงแรวยออย่าอย่าเรียนเก่งอย่างเดียวอย่าฉลาดอย่างเดียวนะต้องมีความสุขเป็นด้วยคนรุ่นเราเนี่ยนะความสุขหายไปอยากได้ความสุขแทบเป็นแทบตายนะความสุขไม่ค่อยมีหรอกในชีวิตเนี่ยแหงแรง้งลำเค็นหนักขึ้นทุกทีทุกทนะีตอนเรียนนี่ก็แข่งกันเรียน ไปก็แข่งกันทำมาหากินแข่งกันทุกสิ่งทุกอย่างนะยแย่งชิงกันตลอดเวลาเลยชีวิตนั้นเต็ไมไปด้วยความเครียดตลอดเวลาลำพังมีความรู้อย่างเดียวเนี่ยไม่สามารถทำให้ชีวิตมีความสุขได้นะต้องมาพัฒนาจิตใจด้วย EQ มันดีนะ EQ ดีไม่ใช่ IQ ดีอย่างเดียวใจมีความสุขอยู่กับโลกได้เรื่องอะไรต้องทุกข์ให้งโง่เพราะงั้น การฝึกจิตอันที่หนึ่งฝึกจิต ท, ทำยังไงให้สงบฝึกจิตอันที่สองทำยังไงให้เข้าใจความจริงของโลกของชีวิตวิธีฝึกจิตให้สงบเนี่ยเราสังเกตที่ใจของเราให้ดีใจชอบหนีไปคิดดูออกไหมใจเราจะคิดทั้งวันคิดตั้งแต่ตื่นเลยตื่นนอนขึ้นมาคิดก่อนคิดไหมนึกออกไหมพอตื่นที่แกก็คิดเลยคิดไปจนถึงหลับนะหลับก็คิดต่อนะเรียกว่าฝัน ใครนอนไม่ฝันบ้างมีไหมเมื่อคืนนี้ใครไม่ฝันมีไหม ย, ยกมือสิมีไหมเมื่อคืนนี้ไม่ฝันเลยนะฉะนั้นขาดสติ <c oughs> ถ้าถ้าสติเราดีแล้วเราจะรู้เลยจิตนี้ไม่หยุดคิดนะมันนอนหลับแป๊บเดียวเนี่ยมันจะขึ้นมาคิดแล้วคิดตอนที่หลับเขาเรียกว่าฝันจิตไม่หยุดหรอกทำไมบอกไม่ฝันจำไม่ได้ นะจะไม่ได้แสดงว่าหลับแบบไร้เดียงสาสมก็ไวนะกลางวันเหนื่อยทำไรเหนื่อยมากๆนั่นกะ็คือนอนหัวจิ้มหมอนเนก็หลับไม่รู้เรื่องแล้วตื่นอีกทีสว่างแล้วไม่ฝันเลยดูไม่เต็นนะใจของเรานะีปกติมันจะวุ่นวาย น, ะนีไปคิดโ น, น่นคิดนี่คิดไปอดีตคิดไปอนาคตตลอดเวลานะมันไม่อยู่ที่เดียวจิตใจกับร่างกายเนี่ยไม่เหมือนกัน ร่างกายยิ่งเคลื่อนไหวบ่อยนะยิ่งแข็งแรงจิตใจยิ่งนิ่งนะยิ่งสงบยิ่งอยู่ในจุดเดียวนะยิ่งแข็งแรงจิตจะมีพลังถ้าจิตวอกแวกวอกแวกสายไปสายมาจิตไม่มีพลังกระทา่งการไปเวลาฟังอาจารย์เลคเชอร์ถ้าใจเราวอกแวกก็ไม่รู้เรื่องเห็นไหมไม่มีสมาธิก็ฟังไม่รู้เรื่องอ่านหนังสือใจวอกแวกไปที่อื่นนะอ่านไม่รู้เรื่องนั้นสมาธินี่นเรื่องสําคัญนะพวกเราเปน็นนักศึกษา ควรจะมาฝึกจิตใจให้มีสมาธิไว้ถ้าเราจิตใจเรามีสมาธิเนี่ยเราจะได้เปรียบคนอื่นอ่านหนะังสือทั้งหลายวันนะกว่าจะจํำเราอ่านแป๊บเดียวก็จำแล้วนถะ้านะสมาธิเราดีๆเมื่อก่อนหลวงพ่อทำงานนะอยู่กับผู้บริหารระดับสูงเลยนะเวลาทํางานเนี่ยต้องดูศึกษากข้อมูลจํานวนมากนะข้อมูลเยอะมากเลยแล้วก็ต้องดูว่า แต่ละกลุ่มนักวิชาการแต่ละคนนะหรือข้าราชาการแต่ละหน่วยอนะไรย่างเงี้ยเขาคิดยังไงนะักการเมืองคิดยังไงอนะไรเนี้ยข้อมูลต่างๆเนยะเยอะมากเลยเพื่อจะมาสรุปเป็นแนวทางว่าแต่ละเรื่องที่เราจะตัดสินใจนะจะเสนอให้ผู้บังคับชา ต, ตัดสินใจนะควรจะทํายังไงหลวงพ่อสมาธิดีนะหลวงพ่ออ่านข้อมูลรวดเดียวเลยเสร็จแล้วนั่งหน้าคอมพิวเตอร์แล้วพิมพ์ออกมาเลยะพิมพ์เสร็จผู้ใหญ่มายืนรอรอเซ็น เซ็พิมพ์เสร็จกเซ็นเลยทำไมทําอย่างนั้นได้สมาธิเราดีนี้ยเรามาฝึกนะให้จิตเรามีสมาธิวิธีที่จะฝึกสมาธิไม่ยากเท่าที่คิดหรอกบางคนก็ไปนั่งสมาธินั่งแทบปวดปวดหลังแทบเป็นแทบตายจิตไม่ยอมสงบเลยในนี้ใครเคยนั่งสมาธิบ้างมีไหมยกมือซิโอ้ดีจังเลยหายากนะอาจารย์บังคับต่อเนี้ย หรือว่าสมัครใจไปนั่งคนทางอีสานน่ะมีบุญนะมีธรรมะดีทางคนทางอีสานดีกว่าที่อื่นนั่งแล้วสงบไหมสงบง่ายไหมมันมีเคล็ดลับมีเล็ดลับนะจะนั่งสมาธิให้จิตสงบเร็วนี้อย่าไปอยากสงบอย่าไปบังคับจิตให้สงบ จิตเนี่ยมีธรรมชาติที่แปลกนะธรรมชาติเหมือนเด็กดือ้อผู้ใหญ่บอกว่าอยา่าอย่าทําอย่างนี้มันจะทํานะผู้ใหญ่บอกต้องทําอย่างนี้มันจะไม่ทํานะจิตของเราแต่ละคนเนี่ยเป็นจิตเด็กดื้อทั้งนั้นแหละนะบางคนอายุตั้งเจ็ดสิบแดสิบแล้วก็ยังเป็นจิตเด็กดื้ออีกนะจิตของทุกคนจะดื้อเสมอเลยสั่งให้เลี้ยวซ้ายมันจะไปขวานะสั่งให้ขึ้นข้างบนมันจะลงข้างล่างสั่งอะไรมันไม่เชื่อหรอกถ้าเรารู้หลักอันนี้แล้วเนี่ย วิธีจะทำจิตให้สงบนะไม่ใช่วิธีไปสั่งให้จิตสงบถ้าพยายามบังคับให้จิตสงบนะจิตจะไม่สงบที่ไปนั่งสมาธินะหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรจะให้จิตสงบมันไม่สงบมันจะฟุ้งลูกเดียวเลยเคล็ดลับของการทำจิตให้สงบเนี่ยมีง่ายๆเลยทําไมจิตถึงไม่สงบเราต้องมาดูตัวนี้ก่อนจิตที่ไม่สงบนะจิตมันฟนุ้งสั้นมันฟุ้งวิ่งไปดูวิ่งไปฟังวิ่งไปคิดตลอดเวลาเลย เดี๋ยวมันอยากดูรูปเดี๋ยวมันอยากได้ยินเสียงเดี๋ยวมันอยากได้กลิ่นเดี๋ยวมันอยากได้รสเดี๋ยวมันอยากกระทบสัมผัสที่นุ่มนวลอ่อนโยนโอบอุ่นนะเดี๋ยวมันก็คิดนึกปรุงแต่งหาเรื่องสนุกสนานคิดไปอดีตคิดไปอนาคตจิตใจเราเนี่ยวิ่งพล่านไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจวิ่งไปหารูปหาเสียงหากลิ่นหารสหาสัมผัสหาเรื่องราวที่สนุกสนานตลอดเวลามันวิ่งหาความสุขนั่นแหละ แต่มันไม่ได้ความสุขจริงมันวิ่งไปดูอย่างไปดูหนังนะนึกว่ามีความสุขเขาก็สุขแป๊บเดียวนะเดี๋ยวพอไม่มีหนังดูก็ไม่มีความสุขแ ล, แล้วต้องไปฟังเพลงฟังเพลงหวังว่าจะมีความสุขฟังไปพักหนึ่งหิวข้าวไปกินแล้วจะมีความสุขใจมันวิ่งหาความสุขมันเลยพลาดไปเรื่อยๆการที่ใจเราวิ่งพลานไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจอยู่ตลอดเวลานั่นแหละทําให้จิตฟุ้งซ่านเพราะฉะนั้นทำไงจิตจะมาอยู่ในที่เดียวได้ เราต้องรู้จักหลอกร่อจิตจิตมันเป็นเด็กดือ้อเด็กสนนะมันเด็กมันจะหนีไปจากบ้านเราก็ต้องหาอะไรมาล่อให้มันเข้าบ้านนะเด็กคนนี้มันชอบเล่นเกมนะวันๆชอบเล่นเกมถ้าผู้ใหญ่ไม่ให้มันเล่นเกมในบ้านมันก็ไปหนีไปเล่นที่อื่นนะเราก็หาเกมคอมพิวเตอร์หาอะไรมาให้เด็กเล่นเด็กก็ไม่ไปจากบ้านจิตนี้ก็เหมือนกันนะจิตถ้าชอบเที่ยวตลอนตลอนไปนะถ้าเราหาอารมณ์ที่ชอบใจ จิตอยู่กับสิ่งใดแล้วมีความสุขนะให้จิตมันไปรู้สิ่งนั้นถ้าจิตอยู่กับพุทโธรรรรแล้วมีความสุขเราก็ใช้พุทโ ธ, ธรรรจิตรู้ลมหายใจแล้วมีความสุขเราก็รู้ลมหายใจนะจิตดูท้องฟองยุบแล้วมีความสุขก็ไปดูท้องฟองยุบอะไรก็ได้นะอะไรก็ได้เราต้องไปดูตัวของเราเองไม่ใช่ทุกคนต้องไปทำแบบเดียวกันต้องสำรวจตัวเองว่าทาแบบไหนแล้วมีความสุข พอจิตมันมีความสุขอยู่กับอารมณ์บรรดนหนึ่งแล้วมันจะไม่วิ่งพล่านไปที่อื่นมันจะได้ความสงบนะไม่ยากเลยคนไหนชอบดูบอลไหมเวลามีบอลโลกดูไหมเหรอสังเกตไหมดูได้ทั้งคืนเลยใช่ไหมดูหนังสือได้อย่างนั้นไหมไม่เคยได้เพราะอะไรไม่มีความสุขไม่ดูบอลดูได้นานนะใครเรียกก็ไม่ค่อยรู้เรื่องไม่มีความสุขนะเคล็ดลับมันอยู่ที่นี้แหละงั้นเรามาดูตัวเองนะอย่างหลวงพ่อตั้งแต่เด็กนะ พ่อหายใจแล้วมีความสุขหายใจเข้าพูดหายใจออกโธเนี่ยหายใจไปอย่างสบายใจหายใจแล้วมีความสุขจิตมันสงบอย่างรวดเร็วเลยนี่เคล็ดลับนะถ้าได้เคล็ดลับแล้วการปฏิบัติธรรมจะไม่ยากอ่ะถ้าไม่รู้เคล็ดลับนะนั่งภาวนากันล้างกดล้างแข็งนะจิตไม่ยอมสงบนะเราไปดูตัวเองนะว่าเราอยู่กับอะไรแล้วมีความสุขแล้วก็ไปอยู่กับสิ่งนั้นแต่สิ่งนั้นต้องไม่ยั่วกิเลสนะไม่ใช่อยู่กับแฟนแล้วมีความสุขนะเออแล้วอย่างนั้นบอกทำกรรมฐานไม่ได้ทําหรอก อย่างฟุง้งซ่านเราก็ไปดูพุโทโธหรือหายใจหรืออะไรก็ได้สัก อ, อย่างนะใจอยู่ที่เดียวใจก็มีความสุขอันนี้เป็นเรื่องฝึ ก, กจิตให้สงบนะถ้าทำได้ก็จะเรียนหนักสุดเก่งทำงานเก่งนะเข้าใจคนอื่นง่ายบางคนได้ของเล่นนะคนอื่นคิดอะไรก็รู้นะใจเขาเป็นยังไงเขามาไม้ไหนไหนนี่มันจะรู้ด้วยใจได้เลยอันนั้นเป็นผลของสมาธิทั้งหมดเลย บางคนรู้ว่านักโทบางคนรู้อดีตนยไเงี้ยไม่เรื่องแปลกบางคนเห็นผีสางเทวดาเป็นเรื่องธรรมดานั้นใจไม่มีสมาธิบางคนก็เป็นมันมีการฝึกจิตฝึกใจอีกแบบหนึง่งฝึกให้มีปัญญาอันนี้หลวงพ่ออยากให้พวกเราตั้งใจเรียนนะถ้าเราเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อบอกวันนี้เนี่ยเราจะพบว่าชั่วโมงที่เราคุยกันเนี่ยจะเป็นเวลาที่มีค่าที่สุดในชีวิตของเราครั้งหนึ่งเลย ชั่วโมงที่ได้ฟังหลวงพ่อพูดให้ฟังอ่ะในเรื่องราวต่อไปนี้เรื่องการฝึกจิตให้เกิดปัญญาเนี่ยนละคนดิ้นรนมาฟังหลวงพ่อสอนเรื่องนี้มากมายนะจากทั่วโลกเลยนั่งหรือบินมาไกลๆกล็มีเยอะแยะนะเขามาเรียนแนละ้วทำยังไงเขาจะเข้าใจตัวเองถ้าเข้าใจตัวเองเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตนะเขาจะอยู่กับโลกอย่างมีความสุขเลยนะพวกเราตั้งใจเรียนนะเป็นศาสตร์ซึ่งหายากที่สุด ลำพังการนั่งสมาธิเนี่ยไม่มีพระพุทธเจ้าก็มีการฝึกกันอยู่แล้วแต่การจะฝึกให้เกิดปัญญาให้เข้าใจความเป็นจริงของชีวิตเนี่ยมีแต่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นนั้นวันนี้มีโอกาสดีนะตั้งใจฟังนิดนึงอาจจะยากนะแต่ไม่ยากเกินไปหรอกสำหรับมันสมองขนาดพวกเราถ้าใจเราวอกแวกนะฟังไม่รู้เรื่องตั้งใจนิดนึงให้โอกาสแก่ชีวิตตัวเองนิดนึ่ะ ฟังสิ่งซึ่งหลวงพ่อเห็นว่ามีค่าที่สุดหลวงพ่อผ่านชีวิตมามากนะปริญญาก็มีหลายใบงานก็ทํางานสี่สิบนะทางโลกไม่ได้เป็นรองใครหรอกจะทาไมออกมาบวชทําไมออกมาปฏิบัติเขาเห็นสิ่งซึ่งมีคุณค่ามากกว่าที่คนในโลกเขาเห็นกันการที่จะมาปฏิบัติทำให้เกิดสติเกิดปัญญาเนี่ย มันมีวิธีที่ง่ายๆนะไม่ยากอะไรหรอกเราลองมานะพวกเรานะเป็นพวกปัญญาชนกรรมฐานมันมีหลายแบบดูศึกษาบางคนก็เริ่มจากการดูกายบางคนดูจิตใจของตัวเองนะพวกปัญญาชนพวกคิดมากเนี่ยกรรมฐานที่เหมาะกับพวกคิดมากนะคือการดูจิตใจของตัวเองถ้าเป็นพวก รักสุขรักสบายรักสวยรักงามวันวันหนึ่งชีวิตมีแต่ความสงบสุขนะดูจิตไม่ได้ต้องมาดูไก่เพราะในจิตใจเนี่ยมันจะมีแต่ความนิ่งๆิ่งไม่มีอะไรให้ดูนะแต่การที่พวกเราเป็นคนคิดมากนะมีเรื่องราวที่ต้องคิดมากมายนะผ่านไปทางไหนนะเปิดโทรทัศน์ขึ้นมานะก็มีเรื่องที่กระตุ้นให้เกิดความรู้สึกทางใจ เปิดหนังสือพิมพ์ขึ้นมาก็มีเรื่องกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกทางใจเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวรอบเดียดเด๋ยวปรดเดี๋ยวหลงหนานาชนิดนะไม่ว่าไปทําอะไรเนี่ยใจเราจะกระเพิ่มขึ้นกระเพิ่มลงตลอดเวลาเราศึกษาสิ่งต่างๆมามากแล้วนะต่อไปนี้ลองกลับมาศึกษาใจของตนเองดูถ้าเราได้ค้นพบใจของตนเองแล้วเราจะได้พบของพิเศษของดีของพิเศษเราจะอยู่กับโลกนะโดยที่ความทุกข์เข้ามาไม่ถึงใจเรา เป็นภูมิต้านทานความทุกข์ได้เฉียบขาดที่สุดเลยการปฏิบัติธรรมนั้นไม่ยากนะอย่าไป น, นึกว่าการเจริญปัญญานะียากเย็นแสนเข็นไม่ได้ยากอะไรเลยเป็นเรื่องธรรมดาที่สุดเลยนะวิธีที่ง่ายๆนะเราสังเกตที่ใจของเราเองไว้ตลอดเวลาเท่าที่ทําได้ยกเว้นเวลานอนหลับเวลานอนหลับมาสังเกตใจไม่ได้ยกเว้นเวลาที่เราทางานที่ต้องคิด อย่างเวลาอ่านหนังสือเวลาฟังเลคเชอร์นะเวลาทํแล a p ทาอะไรเงี้ยเวลานั้นไม่ใช่เวลาที่จะอ่านใจตัวเองเวลาที่จดจ่ออยู่การทำงานเนียเราจะมาอ่านใจตัวเองไม่ได้เั้นยกเว้นเวลาหลับกับเวลาที่ทำงานที่ต้องคิดเนี่ยเวลาที่เหลือคือเวลาส่วนใหญ่ของชีวิตเวลาที่เหลือเนี่ยให้เราคอยรู้ทันความรู้สึกของตัวเอง ความรู้สึกของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเปลี่ยนทั้งวันตื่นนอนขึ้นมานึกขึ้นได้ว่าวันนี้วันจันทร์ความรู้สึกเป็นยังไงรู้สึกไหมหรือตื่นนอนขึ้นมานึกได้ว่าวันนี้เป็นวันศุกร์ความรู้สึกเป็นยงไงเหมือนกันไหมตื่นมาวันจันทร์ความรู้สึกเป็นแบบหนึ่งใช่ไหมวันพุธเป็นอีกแบบหนึ่งนึกออกไหมวันพุธสุดเซ็งวันศุกร์เนี่ยเริ่มกรดีกระดาละามีความสุข เรียนกี่วันเนี่ยอาทิตย์หนึงกี่วันห้าใช่ไหมพอถึงใกล้วันศุกร์รู้สึกผ่อนคลายแล้วเนี่แค่ตื่นนอนนะแล้วก็คิดขึ้นมาว่าวันนี้วันอะไรเนี่ยใจยังเปลี่ยนเลยบางทีก็ใจก็มีความสุขบางทีใจก็มีความทุกข์เคยทําแ l บไม่ทันไหมทําการบ้านไม่ทันมีไหมเครียดไหมเนี่ยพอนึกขึ้นได้ว่าวันเนี้ยจะต้องส่งการบ้านแนะ้วยังไม่เสร็จเลยจะไปลอกเพื่อนดีไหม ไข่มันจะให้ลอกอะไรเงี้ยนะ้ใจก็มีความเครียดขึ้นมาวันนี้นัดสาวไว้ใจเป็นไงตื่นเต้นไหมเนี่ยเราสังเกตที่ใจของเรานะตั้งแต่ตื่นนอนอยู่ทางนี้หนาวนะอยู่คอนแกนหนาวหน้าหนาวหนาวมากหน้าร้อนร้อนมากเวลาอาบน้ำอาบน้ำหน้าร้อนกับอาบน้ำหน้าหนาวไม่เหมือนกันรู้สึกไหมอาบน้ำหน้าร้อนมีความสุขไหมอาบน้ำหน้าหนาวเอาเรื่องนะ ทางนี้เวล า, หา้หนาวหนาวเรื่องนี้รบางคนเลยไม่ยอมอาบน้ำเจ็ดวันอาบน้ำมนเดียวแล้วก่อนมีเพลงแค่คิดว่าจะอาบน้ำใจยังไม่เหมือนกันเลนะกินข้าวนะถึงเวลากินข้าวเห็นกับข้าวอย่างนี้ใจเป็นอย่างนี้ใช่เห็นกับข้าวอีกอย่างหนึ่งพอใจเห็นกับข้าวอย่างหนึงหนงน่งไม่พอใจนะเวลาไปที่โรงอาหารนะไปเดินดูอาหารเขาขาย หลายๆเจ้าเดินพอไปเรียนหลายๆปีเขาน่าจะรู้เลยแม่ค้าคนไหนมันขายอะไรมันก็ขายอย่างนั้นตลอดน่ะไม่ค่อยเปลี่ยนหรอกเราไปเห็นของที่เราชอบใจเราก็พอใจนะไปเห็นของที่เราไม่ชอบใจก็ไม่พอใจวันนี้มีแต่ของไม่ชอบนะังญหงุดหงิดเลยวันนี้มีแต่ของชอบนะก็หลังเลว่าจะกินอะไรดีใคยเป็นบ้างนะเนี่ยการปฏิบัติธรรมนะั้นมันไม่ได้ยากอะไรนะคอยรู้ทันใจของเรารู้ทันความรู้สึกเท่านั้นเอง เจอของกินท <y> ี่ชอบใจรู้ว <ser en> <şimdi> ่าชอบเจอของไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบคอยรู้ทันความรู้สึกของเราเด้่ยเวลาความสุขเกิดขึ้นในใจรู้จักความสุขไหมฮึ่รู้จักไหมความสุขเป็นไงรู้จักความทุกข์ไหมเวลาความสุขเกิดขึ้นนะรู้ทันเวลาความทุกข์เกิดขึ้นก็รู้ทันคอยรู้ไปเรื่อยนะสุดท้ายปัญญามันจะเริ่มเกิดขึ้นการที่เราคอยรู้ทันใจของเราได้ๆ ใจของเราเปลี่ยนตลอดเวลานะเมื่อตามองเห็นใจก็เปลี่ยนเช่นเราชอบกินไข่เจียวเห็นไข่เจียวดีใจเราเกลียดเพื่อนคนนี้เห็นหน้าเพื่อนคนนี้นะไม่สบายใจนะเห็นอาจารย์ท่านนี้เนี่ยชอบอาจารย์คนนี้มาชอบนะดีใจเห็นอีกวิชาหนึ่งอาจารย์นี้เราไม่ชอบเลยนะใจไม่สบายใจเนี่ยตามองเห็นนะใจก็เปลี่ยนหูได้ยินเสียงใจก็เปลี่ยนอย่ามีคนอยู่ๆเดินๆไปมีคนมาตะโกนใส่ไอ้บ้า ฟังแล้วหงุดหงิด น, นะมันมาด่าเราหันไปดูว่ามันเพื่อนรักของเรามันทักทายนะมันทักทายแบบรุนแรงเรารู้ว่าเป็นเพื่อนเราเรียกว่าไอ้บ้านหัวล้ออีกหน่อยพอใจนะเนี่ยเราดูสิใจของเรามันเปลี่ยนได้ขนาดนี้หลวงพ่อนณัฏก่อนสมัยอายุเล่ารไล่ๆกับพวกเราหลวงพ่อจําชื่อเพื่อนไม่ได้จําได้แต่ชื่อพ่อมั น, นะ <laughs> <C> e <an> วันหนึ่งไปหาเพื่อนนะไปที่บ้านไปตะโวดหน้าบ้านนั้นไอ้ชานอยู่ไหมพ่อมันชื่อชานนะแล้วลืมไปเลยไปเรียกชื่อมันซะจนเคยชินนะคนนั้นมาเรียนที่ขอนแก่นนี่แหละไปตะโวนหน้าบ้านไอ้ชานอยู่ไมพ่อยพ่อมันโผล่มาอยู่วุ <c> ้ย <oughs> ใจหายเลยเห็นไหมทีแรกกําลังทีดาจะไปคุยกับเพื่อนใช่ไหม พ่อมรัวมาตกใจใจยักเปลี่ยนเลยแค่เนี้ยแล้วนะคอยดูนะคอยดูของเราใจของเราเปลี่ยนตลอดเวลาแล้วไม่ยากอะไราการที่เราเห็นว่าใจของเราเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามองเห็นใจก็เปลี่ยนหูได้ยินเสียงใจก็เปลี่ยนใจคิดใจก็เปลี่ยนคิดเรื่องนี้มีความสุขคิดเรื่องนี้มีความทุกข์ใครเคยอกหักบ้างถามจริงๆริมีไหมยกมือสิกล้าหันหน่อยใครเคยอกหักบ้างอกหักดีกว่ารักไม่เป็นนะ อย่างน้อยก็อออยังดูเป็นมนุษย์มนาปกติเวลาอกหักนะเพื่อนชอบหลอกนะอย่าไปคิดหนาอย่าไปคิดถึงเลยะคิดมากก็ทุกมากถามว่าทําได้ไหมห้ามคิดเรื่องอะไรที่ห้ามคิดเนะยิ่งขยันคิดนึกออกไหมยิ่งคิดหนักอะไรยิ่งกลุ้มหนักเลยเน่ใจไปคิดนะใจก็มีความทุกข์ขึ้นมาหรือไปคิดอีกเรื่องหนึ่งมีความสุขนะเน่ยใจเราเปลี่ยนนะ ใจเราไปคิดใจก็เปลี่ยนตาเรามองเห็นใจก็เปลี่ยนหูเราได้ยินเสียงใจก็เปลี่ยนได้กลิ่นใจก็เปลี่ยนบางทีได้กลิ่นเน่าๆ น, นะถ้าอยู่คนเดียวในหอได้กลิ่นเน่าๆที่กลัวผีพวกเราใครกลัวผีบ้างหมอดินแดงเนี่ยสมัยก่อนผีดูนะดูมากๆเลยฮะสมัยบุกเบิก อย่างเราอยู่หอคนเดียวนะได้กลิ่นเน่าๆนะไม่สบายใจนะกลัวผีนะถ้าเราไปอยู่อีกที่หนึ่งที่บ้านเราคุ้นเคยเรารู้ว่าไม่มีผีนะ <S <S ได้กลิ่นเน่าๆอาจจะกังวลว่าหนูมาตายในบ้านอย่างเงี้ยเนี่ยความรู้สึกมันเปลี่ยนนะอันหนึ่งกลัวอันหนึ่งกังวลได้กลิ่นเน่าๆแบบเดียวกันนะใจมันกลัวก็ให้รู้ใจมันกังวลก็ให้รู้การที่เราคอยรู้ใจตัวเองบ่อยๆเนยจะได้อะไรการที่เรารู้ใจตัวเองบ่อยๆนะ เราจะเริ่มเห็นความจริงแล้วว่าทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราเนี่ยเป็นของชั่วคราวความสุขที่เกิดขึ้นในใจเราก็เป็นของชั่วคราวความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจเราก็เป็นของชั่วคราวความดีใจก็ชั่วคราวความเสียใจก็ชั่วคราวความโลภความโกรธความหลงก็ชั่วคราวอะไรอรทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในใจเราเนี่ยเขาพูดธรรมะเรื่องเดียวกันหมดคือพูดว่าทุกอย่างมันชั่วคราว ทุกอย่างมันบังคับไม่ได้สอนอยู่แค่นี้แหละมีแต่ของชั่วคราวมีแต่ของบังคับไม่ได้อย่างความสุขนะมามันก็อยู่ชั่วคราวแล้วมันก็หายไปความทุกข์เกิดขึ้นก็เป็นของชั่วคราวแล้วก็หายไป <Northeast> บังคับไม่ได้ด้วยสั่งว่าจงมีแต่ความสุขเมื่อมีความสุขแล้วความสุขจงอยู่ตลอดไปสั่งไม่ได้เวลามีความทุกข์นะจะไปบอกว่าอย่ามีเลยความทุกข์ความทุกขจงดับเร็วๆอะไรเงี้ยมันไม่เชื่อนะ นี่ยเราคอยดูที่ใจเราเรื่อยๆนะ่อไปใจจะเริ่มฉลาดมันจะรู้ว่าทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในความรู้สึกของเราที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเราเนี่ยนะมันเป็นของชั่วคราวทั้งหมดเลยะความสุขในชีวิตเราก็เป็นของชว่วคราวความทุกข์ในชีวิตเราก็เป็นของชว่วคราภความโลภความโกรธความหลงที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราก็เป็นของชั่วคราวไปหัดดูตรงนี้แหละเป็นของสําคัญที่สุดเลยนะถ้าเราเข้าใจตรงนี้ได้แล้ววันหนึ่งเนะี่ย จิตใจมันจะพัฒนาต่อไปอีกมันจะพัฒนาจนถึงขนาดที่ว่ามันยอมรับความจริงได้ว่าทุกอย่างในชีวิตเราเนี่ยเป็นของชั่วคราวเมื่อใจเรายอมรับความจริงได้ว่าทุกอย่างในชีวิตเราเป็นของชั่วคราวเพราะเราเห็นซ้ําแล้วซ้ําอีกเนี่ยความสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวดีก็ชั่วคราวชั่วก็ชั่วคราวพอใจเรายอมรับว่าทุกอย่างชั่วคราวแล้วต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตเรานะเราจะไม่ทุกข์ทรมานแะ ต่อไปร่างกายไม่สบายนะหลวงพ่อมีเพื่อนร่วมรุ่นนะยังเรียนไม่จบเลยรถขึ้นรถตัวรถกว่าแขนขาดไปข้างหนึ่งนะตอนนี้ก็ตายไปแล้วเนะนี่ยมีแขนอยู่สองข้างดีๆนะนั่งรถอีกวันหนึ่งกลับมาไม่มีแขนแล้วเนะีนะ่ยถ้าจิตใจเราไม่เคยยอมรับความจริงไม่เคยเห็นความจริงว่าทุกอย่างในชีวิตนี้เป็นของชั่วคราวแขนข้างนี้ก็เป็นของชั่วคราวนะวันนี้หายไปแล้วเนะ่ย เราจะทุกทรมานมากเแต่ถ้าจิตใจมันเคยเห็นความจริงซ้ําแล้วซ้ําเล่าว่าทุกอย่างนั้นชั่วคราวนะวันหนึ่งแขนขาดไปวันหนึ่งหูขาดไปวันหนึ่งตาบอดไปข้างหนึง่งอะไรเงี้ยมันจะรู้สึกว่ามันยอมรับได้นะใจมันจะไม่ทุกข์มากนะความทุกข์มันจะอยู่ที่ร่างกายเท่านัะแต่ใจจะไม่ทุกข์เวลาอกหักก็จะยอมรับได้นะตอนมีแฟนเคยมีความสุขแต่ความสุขได้ผ่านไปแล้วนะความสุขเป็นของชั่วคราวความสุขได้ผ่านไปแล้วนะ เราก็ยอมรับความจริงได้ว่าเออเขาไม่อยู่กับเราตลอดไปหรอกมีไหมคนที่อยู่ด้วยกันตลอดไปมีไหมไม่มีพ่อแม่เราก็ไม่อยู่ด้วยกันตลอดนะถึงวันหนึ่งก็าตายไปนะตายไปทีละคนบ้างตายไปสองคนบ้างพร้อมๆกันนะไม่อยู่ด้วยกันตลอดอนะ่ะเนี่ยเรามาเรียนนะมาเฝ้ารู้ที่ใจเราบ่อยๆรู้ความรู้สึกที่ใจบ่อยๆจนวันหนึ่งใจเรายอมรับความจริงได้ว่าทุกอย่างในชีวิตนี้เป็นของชั่วคราว ถ้ายอมรับตรงนี้ได้แล้วต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตเราเราจะทนได้เราจะยอมรับความจริงของชีวิตได้ชีวิตนี้เป็นของไม่แน่นอนนี่คือความจริงของชีวิตนะไม่ใช่เป็นหวานแหววโรยกลีบกุหลาบเหมือนที่ฝันหรอกนะแต่ละคนนะยังเรียนอยู่นี่ยังหวานแหววอยู่นะโลกนี้สีชมพูอยู่พอเรียนจบเนี่ยปากกัดตีนถีบถีบไปจีเพื่อนมาอุตลุดเลยนะสาหัสสากัรในชีวิตนะะตี่หาความสุขยากมากเลย ต่อสู้แย่งชิงกันทุกสิ่งทุกอย่างนะสุดท้ายมันว่างเปล่ามันไม่เหลืออะไรจริงะชีวิตเนี่ยดินด้นดิน้นดิ้นไปสุดท้ายว่างเปล่าไม่มีอะไรหรอกนี่ยเรามาฝึกนะมาฝึกที่ใจของเรามาคอยดูสุขเกิดขึ้นคอยรู้ทันทุกเกิดขึ้นคอยรู้ทันโลภโกรธหลงเกิดขึ้นคอยรู้ทันหรู้ไบ่อ ย, ยนะแล้ววันหนึ่งอยเข้าใจชีวิตเข้าใจโลกว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นของชั่วคราวทุกอย่างเนี่ยไม่เป็นไปอย่างที่ใจอยากหรอก ไม่ไม่เป็นอยู่ในอำนาจบังคับของเรามีลูกอยากมีลูกดินดนรนแทบตายบางคนมีลูกนึกว่าจะดีมีลูกปัญญาอ่อนมีัหมเกิดมาก็ปัญญาอ่อนไอย่างเงี้ยถ้ายอมรับไม่ได้นะทุกตลอดเลยต้องเลี้ยงลูกจนวันตายไม่ใช่ลูกเลี้ยงเรานะทุกสิ่งทุกอย่างนี่นะมาฝึกตัวเอง จนวันหนึ่งใจเห็นความจริงใจยอมรับว่าทุกอย่างในชีวิตนี้ชั่วคราวแล้วเราจะพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายที่เกิดจากความแปรปรวนของชีวิตนะไปฝึกเอานะไปฝึกเอายากไปไหมไม่จะยากอะไรนะใครรู้จักโกรธบ้างใครเคยโกรธบ้างยองมือสิโอโกรธเก่งทุกคนเลยฮะรู้จักโลภไหมโลภรู้จักไหม ใครรู้จักรอ บ, บย้งมือสิใครรู้จักฟุ้งซ่านเอามือไว้เลยไม่ต้องลงใครรู้จักฟุ้งซ่านใครรู้จักหดหูใครรู้จักดีใจเสียใจอิจฉานะผู้ชายก็อิจฉาเป็นนะกลัวเป็นไหมกลัวก็เป็นผู้ชายก็ขี้กลัวนะกลัวใครกลัวผู้หญิงแหละ <laughs> เอามือลงได้ละวเรเข้าให้เอามือขึ้นมือลงนะ่ไม่ใช่อะไรหรอกกระตุ้นให้ตื่นนะ <laughs> ฟังพระพูดแล้วมักจะหลับนะพอไหวเปล่าไปลองดูนะถ้าทำได้แล้วชีวิตจะเปลี่ยนมีเด็กนะเขาฟังซีดีหลวงพ่อพอขึ้นรถแม่กับพ่อเนี่ยเปิดซีดีในรถเลยลูกก็ได้ยินหลวงพ่อเทศทุวันเลยเด็กๆนะวันหนึ่งแม่ใจร้อนขึ้นมาคนมาป่านหน้าแม่โมโหอยากขับรถจะไป ตีเขาไปปาดคืนอะไรย่างเงี้ยลูกรีบบอกแม่โกรธแล้วรู้ไหมแม่รีบตกใจโกรธแล้วให้รู้ว่าโกรธลืมไปปาดเขาเลยนะมีเด็กคนหนึ่งสี่ขวบพวกเราอยูะเท่าไหร่สามขวบมีไหม <c oughs> <c oughs> เด็กสี่ขวบหน้าตาขนาดนี้ก็สิบกว่านาะสิบเจ็ดสิบแปดขึ้นไปนะเด็กสี่ขวบ ส่งกันบ้านกับลูกศิษย์หลวงพ่อนะมีลูกศิษย์หลวงพ่อไปสอนเด็กเด็กมันบอกว่ามันเห็นความโกรธนะเวลาความโกรธเกิดขึ้นในใจเนี่ยมันรู้ทันแต่ทําไมความโกรธนี่นมันสั้นนิดเดียวเออพวกเราเคยได้ยินไหมความโกรธเกิดขึ้นในใจก็รู้นะแต่พอรู้แล้วจะพบว่าความโกรธสั้นนิดเดียวคือทันทีที่รู้ทันจิตของเราเองนะถ้าจิตเป็นกิเลสนะจิตมีกิเลส จ, จิตมีความโกรธจิตมีความโลภจิตฟุ้งซ่านอย่างเงี้ย ทันทีที่เรารู้ทันนะมันจะหายทันทีเลยแล้วเด็กมันถึงบอกเด็กสี่ขวบนะบอกว่าความโกรธนี้สั้นนิดเดียวที่สั้นนิดเดียวได้เพราะสติของมันเร็วมันโกรธปุ๊บมันรู้ทันปั๊บสติเนี่เป็นตัวรู้ทันรู้ทันใจของตัวเองเรื่อยเรื่อยเร่อมีสติรู้ไปรู้ไปก็เกิดปัญญาคือเข้าใจความเป็นจริงว่าทุกอย่างมันของชั่วคราวนะเด็กสี่ขวบมันยังทําได้เลยนะพวกเราอะอย่างน้อยก็มากกว่าเขาสีเท่าเนะย สีเท่าบบยอีกสองโยอีกสามโยอีกหนึ่งอะไรเงี้ยนะอายุขนาดนี้ถ้าบอกว่าดูจิตใจของตัวเองไม่เป็นนะลวยถ้วยมากเลยไม่ได้เรื่องหรอกนะหัดดูนะหัดดูไปลูกเล็กเด็กแดงตอนเนี้ยฟังซีดีหลวงพ่อไปเรื่อยๆเมื่อกีพ่อปนาเป็นปนะานาเป็นไปส่งกันบ้านไปรายงานการปฏิบัตินะที่วัดหลวงพ่อบางทีมีพระมานั่งฟังนะพระมันนั่งฟัง พระบอกว่าเอาเด็กไปไอ้ผู้คนมาส่งกันบ้านไปแล้วนะพระบอกกับหลวงพ่อว่าน่ากลัวมากเลยคารวะเนี่ยนี้ทำไมพานาเก่งมากเลยการพาวนามไม่ใช่เรื่องยากเลยนะมันคือการเรียนรู้ตัวเองพยายามรู้ทันใจของตัวเองไว้เลาดีที่สุดแล้วต่อไปบางคนจะได้ของเล่นนะถ้ารู้ทันใจตัวเองได้ชำนาญ น, นะมันจะรู้ทันใจคนอื่นด้วยใครจะคิดนึกปรุงแต่งไงนะใครจะมีความรู้สึกเลยนะเราจะรู้หมดนะ ค่อยๆฝึกไปอยากรู้ใจคนอื่นไหมใครอยากรู้ใจคนอื่นว่าอย่างเนี่ยสาวคนนี้เขาจะรู้สึกไงกับเราเนี่ยอยากทุกคนแหละทาเป็นผู้ร้ายปากแข็งนะอย่างอย่าไปจีบเขาเนี่ยนะก็อยากรู้ใช่ไหมว่าเขารู้สึกยังไงกับเราใครๆก็อยากรู้ความรู้สึกคนอื่นนะแต่ละเลยที่จะรู้ความรู้สึกของตัวเองมาเรียนรู้ตัวเองให้ดีนะเราจะเข้าใจ ถ้าเข้าใจได้แล้วก็โหชีวิตนี้จะเปลี่ยนมีซีดีของหลวงพ่อแจกไหมถ้ามีลองไปฟังดูนะเวลาเขาคนเขาไม่รายงานการปฏิบัติเขาจะบอกเลยชีวิตเขาเปลี่ยนเคยทุกข์มากเขาก็ทุกข์น้อยเคยทุกข์นานก็ทุกข์แว บ, บเดียวชีวิตเปลี่ยนนะเอาละสําหรับเด็กๆคุยแค่นี้ก็พอแล้วนะเทศยาวกว่านี้เดี๋ยวเบื่อมีใครจะถามนะเฉิญ สังเกตไหมว่าเวลาโคศกเขาจะพูดเนี่ยเราหันไปมองเขาเนี่ยใจเราไปอยู่ที่เขารู้สึกไห ม, มความสนใจมันจะบีมไปที่เขาเลยในขณะที่ความสนใจของเราวิ่งไปที่เขาเนี่ยเราลืมตัวเราเองนึกออกไหมถ้าเมื่อไหร่เรามีร่างกายแล้วเราก็ลืมเมื่อไหร่จิตใจของเรามีความรู้สึกใดๆแล้วเราก็ไม่รู้ทันเมันนั่นแหละเรียกว่าเราขาดสติละนะงั้นคนในโลกเนี่ยหาคนที่มีสติยากที่สุดเลย ได้ยินเนี่ยมีคนวิ่งมาพวกเราดูสิเห็นไหมเห็นหบางคนโดนหลอกบางคนรู้ทันไม่ยอมไปมองนะไม่ยอมมองแต่ใจก็สายไปหาเขาสา ย, ยคอยรู้ทันนะรู้ทันเมื่อไราใจของเราไหลไปไหลไปดูเราก็ลืมตัวเองไหลไปฟังเราก็ลืมตัวเองไหลไปคิดเราก็ลืมตัวเองนั่นแหละขาดสติพนะยายามรู้สึกตัวบ่อยๆอย่าใจลอยรู้สึกตัวไปเรื่อย เห็นความเปลี่ยนแปลงของกายเห็นความเปลี่ยนแปลงของใจไปเรื่อยๆครับปฏิบัติทำง่ายๆแค่นี้แหละนะในห้องนี้ก็มีคนทำเป็นแล้วทำได้เอาเชิญใคาถามเรื่องการฝึกจิตใจของเราเองนะมึงคนถามว่าจะพบเนื้อคู่หรื อ, อยังอะไรเงีนะ้ย <laughs> <laughs> ถามไกลไป แอ่นั่นเรื่องเล็กถามวิธีที่จะฝึกจิตฝึกใจของเรานะเราจะได้ของดีในชีวิตของเรามีคนหนึ่งนะมาถามหลวงพ่อแม่หนูตายไปเกิดที่ไหนสนใจแม่ปัญหาแบบนี้หลวงพ่อบอกตอนแม่หนูเป็นๆหลวงพ่อยังไม่รู้ดิอยู่ไหน เห็นไหมเวลาเราสนใจคนอื่นนะเราจะลืมตัวเองนออกไหมแล้ววันวันหนึ่งเราจะสนใจคนอื่นตลอดเวลานะเราก็ลืมตัวเองตลอดเวลานี่แหละคือจุดอ่อนที่ทำให้เราไม่สามารถเรียนรู้ตัวเองได้นะมันมีนักจิตวิทยาคนนะชื่อนายมาสโลนายมัสโลเขาบอกว่าถ้ามนุษย์เนี่ยมนุษย์จะมีนิดมีความต้องการเป็นระดับระดับไปที่แรกต้องการอยู่รอดต้องการปลอดภัยต้องการ มีกินมีใช้กินต่อไปต้องการความมั่นคงมีชื่อเสียงต้องการอะไรต่ออะไรสูงสุดที่มนุษย์ต้องการนะต้องการค้นพบตัวเองพระพุทธเจ้านี่แหละสอนให้เรามาเรียนเรื่องตัวของเราเองถ้าเราได้นิษฐ์บัรลรุนิษฐ์ที่สูงที่สุดนะั้นแล้วชีวิตมันจะเต็มอิ่มไม่หิวแบบทุกวันนี้หรอกมีไหมตกลงหาได้ยังใครอยากคุยกับหลวงพ่อมีไหมขอโอกาสทางด้านนีครับหลวงพอ่อ ลองเอาพวกที่มาจากที่อื่นก่เอเจ็ดนะทาตัวอย่างให้เด็กดูที่อื่นนะก็แย่งกันถามาว่ามาครับคือวิธีกำหนดเจ็ดเนี่ยครับคือถ้าเรารู้สึกอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาในความคิดเราคือเราก็ปล่อยมันไปยังนั้น้ใช่ไหมครับแค่รู้แค่รู้นะเราทำตัวเป็น observer มันแค่คนดูเราก็เห็นทุกอย่างผ่านมาผ่านไป คือกระบวนการเรียนรู้กระบวนการหาความรู้เนี่ยมันมีวิธีหลายอย่างอย่างเราไปอ่านหนังสือไปฟังเลคเชอร์อะไรเงี้ยก็ได้ความรู้แต่ความรู้จากการอ่านหนังสือจากการฟังเลคเชอร์เนี่ยมันเป็นความรู้ของอาจารย์ของคนแต่งตำราไม่ใช่ความรู้ของเราเราไปจําของเขาพอเราจําได้เราก็เป็นโมเ ม, มว่าเรามีความรู้ความจริงมีความจําเท่านั้นเองคือหรือบางทีเราหาความรู้ด้วยการคิดวิเคราะห์ใช้เหตุใช้ผลเอาการคิดวิเคราะห์ใช้เหตุใช้ผลนะ อาจจะถูกก็ได้อาจจะผิดก็ได้ก็ยังเชื่อถืออะไรไม่ได้วิธีหาความรู้อย่างที่สมเนี่ยคือการสังเกตการเข้าไปดูว่าจริงๆมันเป็นยังไงนี่แหละคือวิธีปฏิบัติธรรมที่จะเจริญปัญญาคือการสังเกตการเราสังเกตการใจของเราจะเห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆไม่ได้ไปกําหนดให้นิ่งนะดูความจริงของเขาเราจะเห็นในเมื่อตามองเห็นจิตก็เปลี่ยนหูได้ยินเสียงจิตก็เปลี่ยนใจคิดจิตก็เปลี่ยน เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายดูอย่างนี้แหละทำตัวเป็นคนดูถึงวันหนึ่งจิตมันจะสรุปเองว่าทุกอย่างที่ผ่านมานี้ชั่วคราวหมดเลยงั้นเป็นแค่คนดูนะเหมือนเราจะทำวิจัยวิจัยภาคสนามจริงๆนะลงไปสุ่มตัวอย่างไปดูของจริงว่าเป็นยังไงยังจะศึกษาพฤติกรรมของคนกรุงเทพเปรียบเทียบกับคนขอนแก่นนะหรือศึกษาทัศนคติคนกรุงเทพ เทียบกับคนขอนแก่นต่อตรัฐบาลอย่างเงี้ยอยากดูความจริงไม่ใช่นั่งคิดเอาว่าคนกรุงเทพคิดยังไงคนขอนแก่นคิดยังไงลงไปสำรวจจริงๆไปดูว่าจริงๆเขาทำยังไงเขาคิดยังไงเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยคือการที่ศึกษาภาคสนามเลยดูของจริงเหมือนทางานวิจัยภาคสนามเลยอย่าไปบังคับจิตนะบังคับแรงไปจิตแข็ง ถ้าบังคับมากจิตจะแน่นแน่นแน่นไหมของคุณตอนนี้ก็ไม่ะครับไม่<อ>แน่นเลยเรอกจิตตอนนี้เป็นปกติไหมเหมือนตอนที่ยังไม่ได้เจอหลวงพ่อไหมครับส่วนปกติผมก็ฝึกจิตอยู่ครับเอออย่าฝึกให้นิ่งนะฝึกนึกถึงตอนเด็กเด็กฝึกให้รับรู้ตลอดใช่ฉหมครับจิตสมัยเด็กเด็กับจิตตอนนี้เหมือนกันไหมไม่ครับเออกลับไปให้เป็นเด็กนะจิตของเด็กไม่มีมายา มันจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเราดูอย่างนั้นแหละจะเห็นของจริงง่ายส่วนจิตที่เราไปพยายามจะรู้สึกตลอดเวลาเนี่ยไม่มีโลภะแทรกละมันอยากรู้สึกตลอดเวลาจิตมันก็เลยนิ่งๆผิดความจริงไปหน่อยหนึ่งนึกถึงสมัยยังภาวนาไม่เป็นยังเป็นเด็กจิตมันเคลื่อนไหวมากกว่านี้รู้สึกไหมกลับไปเป็นเด็กนะแล้วดูความเปลี่ยนแปลงไปเราต่างกับเด็กนิดเดียวตัวที่เด็กเนี่ยจิตมันแกว่งขึ้นแกว่งลงแต่มันไม่เห็น ของเราเห็นความแฝงไปของจิตนะแต่เรารู้เราเห็นอยู่แค่นั้นพอละอย่าไปประคองอย่าไปรักษาอย่าพยายามที่จะรู้สึกตัวยี่สิบสี่ชั่วโมงเผลอก็ได้แต่เผลอแล้ว ร, รู้ให้ไหวแค่นั้นเองงั้นใจจะแน่นไปค่ะกราบธรรมสการหลวงพ่อค่ะอยู่นี่ค่ะอ๋อว่าไปตไตอนที่เราหันไปดูเขาเราลืมตัวเราเองรู้สึกไหม หลวงพ่อไม่ว่านะอันได้แนตะ่รู้ว่าใจวิ่งไปที่เขานะ้วให้รู้ทันใจของเราเองไว้อ้าว่ามาค่ะเป็นครั้งแรกที่ได้ส่งกันบ้านหลวงพ่อค่ะปื้มค่ะโอเป็นปื้มปลื้มรู้ไหมค่ะแล้วก็ตื่นเต้นนะคะตื่นเตนน้นรู้ว่าตื่นเต้นปลืม้มรู้ว่าปลืม้มค่ะดีหนูฟังซีดีหลวงพ่อมาประมาณสี่ปีกว่ากว่าค่ะ ม, มีโทสะเยอะค่ะก็เมอยลอย โลภะก็เยอะขี้อิจฉาอาฆาตค่ะเขาเก่งนะถ้าพวกเราพอหนากเป็นเราจะรู้เลยว่าอสูรร้ายไม่ได้อยู่ที่อื่นหรอกอยู่ที่ตัวเราเองนี่แหละตอนนี้ตื่นเต้นค่ะแล้วก็ไม่ค่อยมีสมาธิค่ะจิตไม่ถึงฐานนะคะอยากให้หลวงพ่อช่วยแนะนำใส่ใจไหมว่าชีวิตเรา ความรู้สึกของเราไม่เหมือนเดิมค่ะมมีความเปลี่ยนแปลงไหมมีความสุขขึ้นค่ะก็แต่ก่อนทุกมากกว่านี้๋อนนี้มันสั้นลงว่าร่างกายกับจิตเหมือนเริ่มแยกกันดูออกไหมบางครั้งค่ะเห็นไหมว่าความรู้สึกกับจิตใจเป็นคนละอันกันบางครั้งค่ะน่ยถืออย่างนั้นได้นะดีแล้วล่ะต่อไปร่างกายแก่ตัวน้องมันแก่นะไม่ใช่เราแก่เห็นไหมร่างกายเจ็บตัวน้องมันเจ็บไม่ใช่เราเจ็บ ร่างกายตายไอ้ตัวนั้นมันตายไม่ใช่เราตายเนี่ยเราฝึกไปนะจนเดืทั้งใจนี่มันทุกข์น้อยลงน้อยลงเป็นเรื่องประหลาดเราเรียนรู้กายเรียนรู้ใจเนี่ยความทุกข์กับตกหายไปต่อหน้าต่อตาเลยดีทำได้ดีใจโปร่งโล่งเบาขึ้นเยอะแนละ้วค่ะขอบพระคุณค่ะน้ำมัสการเจ้าค่ะวันนี้ขอตั้งสตินิดนึงค่ะอืมอืมตั้ง วันนี้วันอาทิตย์ศรัทธามากและปิติมากฟังซีดีของหลวงพ่อมาประมาณสองปีปีหลังนี้หลับไปกับซีดีของหลวงพ่อทุกคืนเมื่อก่อนนี้เป็นคนขี้กโกรธขี้อิจฉาแล้วก็คือ <c oughs> ถ้าไม่ได้ดังใจก็จะต้องเอาให้ได้ดังใจฆ่าตัวตายก็ทำค่ะ ก็ชีวิตก็มีความรู้สึกว่าตัวเองเป็นทุกข์<ม>แต่ตั้งแต่ที่ได้ฟังซีดีของหลวงพ่อวันแรกมาจนกระทั่งถึงวันนี้ชีวิตมีสติมากขึ้น ม, มีความสุขมากขึ้น<ม>และคิดว่าพบหนทางที่จะทำให้ตัวเองพ้นจากความทุกข์ก็จะค่อยๆปฏิบัติเรื่อยไป <สา S 1> ค่ะขอบคุณค่ะ ดีนะเนี่ยลูกๆูห ล, ลานหลา น, ลานดูไว้นะถ้าหักตอนาเป็นนะชีวิตเลยจะเปลี่ยนมันเป็นชีวิตที่เต็มอิ่มชีวิตที่สมบูรณ์แบบขึ้นมาไม่ใช่ชีวิตสเปสปะนะเหมือนกระทง n ลอยน้ําหลงไปทางโน้นทางนี้นะชีวิตมันจะมีเป้าหมายในชีวิตรู้ไหมเกิดมาทําไมเกิดมาทำอะไรทําไมต้องเกิดมานมัสการหลวงพอ่ออยู่ไหนเอ่ย อ๋อว่าไปก็ที่อ่านในหนังสือมาก็คําว่าที่กําลังปรากฏและเกิดดับนี่คื อ, อยังไงเรา อ, อะไรนะที่กําลังปรากฏและเกิดดั บ, บผมไม่รู้ว่าอะไรที่กําลังปรากฏและเกิดดับครับสภาวะธรรมนะมันจะเกิดดับอยู่ตลอดเวลาอย่าสภาวะธรรมอย่างเช่นความรู้สึกของเราทั้งหลายเนี่ยเป็นสภาวะธรรมรู้จักความสุขไหม เวลามีความสุขเนี่ยเราก็รู้ทันว่าใจกําลังมีความสุขนะเราจะเห็นเลยว่าความสุขอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปเวลามีความทุกข์เกิดขึ้นเรารู้ทันเราก็จะรู้ว่าความทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปความโลบความโกรธความหลงความดีใจเสียใจนะความอิดช้าพยาบาททุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่ผ่านเข้ามาถ้าเราไปรู้อยู่นะมันจะผ่านมาแล้วก็หายไปมันเกิดดับให้ดูได้เช่นความโกรยเกิดขึ้นเราได้ยินคนมาว่าเรานะ ใจมันโกรธขึ้นมาเรารู้ทันใจที่โกรธนะเมือโกรธก็ดับไปเนี่เราเห็นความเกิดดับของสภาวะธรรมดีถ้าได้เห็นสภาวะได้นะดีมากเลยกาปฏิบัติธรรมไม่ใช่การคิดเอาเองแต่ต้องดูของจริงของจริงแสดงอยู่ในร่างกา ย, ยงงของจริงแสดงอยู่ในจิตใจของเราดูของจริงแล้วถึงจะเห็นความจริงรู้จักใจลอยไหม รู้จักใจลอยหรือเปล่ารู้จักครับเป็นบ่อยเนี่ย อ, อที่ฝึก อ, อยู่ดีนะสังเกตไหมตรงที่เรารู้ว่ามันเผลอไปนะมันมีความรู้สึกมันตองตื่นขึ้นมาเป็นภาว่าแห่งความตื่นเผลอไปหรือยางตอนเนี้เผลอไปวางใช่ไหมไหลไปคิดครับใจไหลไปคิดให้เรารู้ทันรู้ทันมันจะเหมือนตื่นขึ้นมาอีกทีอีกแวบบนะพอไหลไปคิดอีกก็หลับอีกนะ หลับอีกเราก็รู้ทันก็ตื่นที่มาอีกเห็นไม้มความหลับและความตื่นเนี่ยเกิดดับอยู่ตลอดเวลาพอจิตไหลไปก็คือลืมตัวเองจิตไม่ตั้งมั่นพอรู้ทันว่าจิตไม่ตั้งมั่นรู้ทันว่าจิตไหลไปฉิก็ตั้งมั่นและจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตที่ไหลไปเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งเมื่อแต่เกิดเราก็ดับตลอดเวลานี่แหละที่ว่าเกิดแล้วดับหนีไปคิดอีกอยาง ให้รู้ถันนะเวลาจิตไหลไปคิดใช้ได้นะเดี๋ยวขอโอกาสให้ญาติโยมที่ที่จับฉลากได้นะครับได้ที่จับฉลากได้คิวถามคําถามหลวงพ่อนะครับครับขอโอกาสครับหลวงพ่อครับน้ำสกัดครับหลวงพ่อขอว่าจะมาขอกันบ้านเป็นครั้งแรกนะครับทางไหลวงพ่อไม่ได้เองว่าจะมาขอกันบ้านหลวงพ่อเป็นครั้งแรกนะครับเคยเห็นอะไรบ้างละ่ะ ทำกรรมฐานอะไรมาอ๋อก็ อ, อฟังซีดีหลวงพ่อมาสามปี <A S 1> ครับเห็นจิเลนไหมครับถ้าเห็นจิเลนได้ก็ภาวนาได้นะไม่เห็นกิเลนก็ภาวนายากเวลาใจโลคขึ้นมารู้ทันใจโกรธขึ้นมารู้ทันใจฟุ้งซ่านใจหดหู่ไปรู้ทันใจของเราไปบ่อยๆนะใจหนีไปคิดเรื่อยังใจหลายไปคิดให้รู้ทันนะรู้บ่อยๆดูความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ผมเป็นคนคิดมากครับนั่นแหละมันบหมครับคารดูจิตนะถ้าพวกไม่อยากคิดนะวันวั น, วนหนึ่งนั่งยี้ยสองกระจกทั้งวันนะอย่ามาดูจิตนะพวกนี้ต้องดูกายเด็กวิศวะไม่ค่อยรักสวยรักงามเท่าไหร่นะก็ดูจิตไปขอบคุณครับผม สมัยหลวงพ่อในะวิศวะน่าแทบไม่มีผู้หญิงเลยเลยคนไหนเป็นผู้หญิงแนละ้วมาเข้าคณะวิศวะน่านะได้เป็นดาวทุกคนเลยนะี <c oughs> มันหายาก <c oughs> อุ้ยหนุนม่นมๆนะรุมกันจีบเลยคล้ายๆสินค้าขาดแคลน <c oughs> แต่ผู้หญิงแล้วก็เลือกมากมีตัวเลือกเยอะผู้ชายเยอะเนละเหมือนลิงเหมือนข้าง <c oughs> งั้นถ้าใจเราเป็นคนรักสุขรักสบายรักสวยรักงามนะครรู้สึกอยู่ที่ร่างกายเห็นร่างกายยืนร่างกายเดินร่างกายนั่งร่างกายนอนดูไปเรื่อยมันจะเห็นเลยเออร่างกายนี้ไม่สุกไม่สบายไม่สวยไม่งามถ้าเป็นพวกคิดมากพวกช่างคิดนะให้ดูจิตดูใจของเราเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายแล้วพวกคุ้มดีคุ้มร้ายนะมาดูจิตไว้ะจิตจะเปลี่ยนทั้งวันมาให้ดู กรรมฐานนะฝึกจากอะไรก็ได้เริ่มจากกายก็ได้เริ่มจากจิตก็ได้แล้วแต่ถนัดพวกคิดมากก็ดูจิตเอาไปทําสมาธิให้สงบก็ทํายากถ้าจิตใจไม่สงบเลยมาดูกายก็ดูไม่ค่อยจะเห็นอาศัยสมาธิสั้นๆที่ลักษณะขนาด น, นี้แนหะใจไหลไปคิดรู้ทันไหลไปคิดรู้ทันจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นขนาดขนาดแล้วมาดูความรู้สึกของเราเองฝึกไป อโอกาสครับหลวงพ่อครับส่งกันบ้านกาวที่แล้วหลวงพ่อให้ดูกิเลสเพื่อต่อยอดนะครับก็เห็นมากมายเลยครับทั้งวันเยอะแต่ก็ยังไปแทรกแซงมันอยู่ครับขนาดนี้จิตเป็นกลางไหมยังไม่เป็นครับประคองอยู่เปล่าประคองครับทำไมประคองอยากดีครับโอ้ตับเก่งหมดทุกอย่างรู้ทนานแล้วไปดูเอาสาธุครับใจเราแผลนะ ใจเราหนีไิเที่ยวได้แล้วใจปกติหนีเที่ยวตลอดเลยใจไม่ค่อยอยู่กับตัวเองนามัส ก, การครับ ป, ปฏิบัติมาหลายปีครับมีอยู่วันหนึ่งก็รู้สึกว่าเอ๊ะเราคอยหาวิธีปฏิบัติวิธีทาอะไรอยู่ตลอดครับก็เลยลองกล้านะเชี่วฟังหลวงพ่ออต้องกล้ากล้านะ<ๆ>กล้ากล้าหน่อยก็เลย ลองไม่คิดหาวิธีปฏิบัติแล้วก็รู้กายรู้ใจไปเลยครับก็ก็ได้พบความเปลี่ยนแปลงในจิตใจตัวเองครั บ, รบเห็นความเสื่อมไหมความเจริญแล้วก็เสื่อมเจริญแล้วเสื่อมอย่างในการพอนานนะบางช่วงก็เจริญบางช่วงก็เสื่อมมีไหมหรือเจริญลูกเดียวเห็นจิตใจมันก็เปลี่ยนแปลงทั้งวันนะครับแล้กดูไปด้วยนะมีแต่วามไม่เที่ยง มีแต่ของบังคับไม่ได้ดูอย่างนั้นนะตอนที่เลิกเลิกทำอะไรในใจใหม่ๆมันจะรู้สึกว่าเวอ e ์มันหายไปเหมือนแต่ก่อนใจเรามันมันดีมันเหนือธรรมดาพอพอกลับมาเป็นใจแบบธรรมดาเรารู้สึกโอ๊ยมันกิเลสเยอะเหลือเกินมันมันแย่แย่กิเลสนั้นซ่อนอยู่แต่ไหนแต่ไรแล้วแต่เราทำสมาธิข่มเอาไว้มันก็เลยโผล่ขึ้นมาไม่ได้เราก็ว่าจิตเราดี พอเราปล่อยไม่จงใจกดข่มไหมตัวจริงมันก็ปลุก ม, มันร้ายกว่าที่นึกนะเพราะฉะนั้นถ้าจะหานางมาร้ายนะหาที่ใจเรานะส่วนปีาศาจอสูรเนี่ยดูที่ใจของเราไม่ใช่อสูรร้ายทั้งหลายอาสูรน้อยๆแต่และคนจะร้ายร้ายโคตรๆเหร หลวพออย่างนี้ถือว่าแยกท่าแยกขันเดินปัญญาหรือยังครับสมาธิไม่พอกำลังของจิตไม่พอนะจิตมันอ่อนไปมันอ่อนแอไปนิดหนึง่งแค่ความรู้สึกตัวเป็นแข็งแรงแบบนี้นิดนึ่งรู้สึ ก, กนะเมื่อกี้มันอะไรเงี้ยนะอย่าให้มันอ้อยซ่อยอ้อยอยินะ่รู้สึกตัวกนะ็ความรู้สึกมันอ่อนไป รู้สึกไหมว่ามันน้อมใจให้เคลิ้มัมนมีการน้อมใจไปอย่างนี้ยดูออกไหมต้องไม่ทําอย่างนั้นนั่นแหละแป้งทำขนาดนี้กระตะกี้ไม่เหมือนกันดูออกไหมต้องอย่างนี้นะมันมั่นคงขึ้นมากะตะกี้ใช้ไม่ได้ครับะกะตะกีสมาธิไม่พอจิตไม่มั่นคงนต้อขนาดนี้แหละอย่าแรงกว่านี้นะขนาดนี้กําลังพอดีแล้วแล้วก็จะเห็นไหมตัวนี้พยายามหน้า นั่นแหละมันจะเกิดปัญญาก็ตรงนี้แหละถ้าจิตไม่มีสมาธิจิตไหลอ้อยสรอยอ้อยหิงปัญญาไม่เกิดหรอกนะคือสมาธิแรงกล้าไปแข็งทื่ออยู่ปัญญาก็ไม่เกิดอีกตอนนี้แรงไปหน่อยแล้วมั้งกดอยู่ไหมครับก็ปล่อยสนะิเราให้รู้นะทางสายกลางไม่หย่อนไปไม่ตึงไปหย่อนไปก็ใจเลื่อนลอยไปตึงไปก็ควบคุมบังคับแน่นเกินไป อันนี้แน่นไหมนิดหนึ่งครับเออนะเกินไปละแต่เบื้องต้นเนี่ยตึงไว้นิดหนึ่งดีกว่าปล่อยให้หย่อนพอมันหย่อนพอมันคลายการบังคับหนูมันจะพอดีถ้ากะให้พอดีนะมันจะหย่อนไปยังที่เริ่มแต่กี้เนี่ยกะจะทําให้พอดีมันเลยอ่อนไปงั้นเบื้องตอ้นตึงนิดนี้อ่ะต่อไป ขอโอกาสค่ะหลวงพ่อครั้งล่าสุดที่หนูไปส่งการบ้านที่ส่วนสันติธรรมก็ประมาณวันที่6เมษายนนะคะทีนี้หนูเป็นคนที่ส่งการบ้านกับหลวงพ่อว่าหนูเห็นจิตมันเป็นทุกข์แล้วทีนี้มันพอพๆตัวเองไปฟังของครูบาอาจารย์ว่าของท่านทุกข์ใจตายเราอยากทุกข์ใจตายเหมือนท่านค่ะ <laughs> ทีนี้หนูมีการบ้านมาส่งหลวงพ่อค่ะ ก็คือหลังหลังจากหลังจากวันนั้นมีอยู่มีอยู่กลางคืนวันหนึ่งนะคะที่หนูพิจารณาเมื่อพิจารณาดูแล้วทีนี้หนูจำไม่ได้ว่าพิจารณาอะไรแต่ว่าสภาพจิตก็คือเปรียบเสมือนเปิดประตูจากห้องที่แคบๆออกไปแล้วเจอทุ่งหญ้ากว้างขวางอะค่ะแล้วหลังจากวันนั้นก็ก็จะมีสภาวะธารว่ า, ากเกิดขึ้นคือว่ามีอยู่วันหนึ่งหนูเดินมาจากห้องครัว ทีนี้หนูก็เห็นจิตมันสั่งกายสั่งว่าให้ไปหยิบโทรศัพท์ทีนี้หนูก็เอ๊ะทาไมต้องไปหยิบโทรศัพท์แต่ว่าเห็นขั้นตอนของการสั่งงานเนี่ยชัดเจนวันวั น, ว, นวันหลังมาอีกสองสวันเนี่ยคือหนูก็สงสัยว่าเพราะอะไรจิตมันถึงสั่งกายก็หนูก็เลยมาเห็นว่าเพราะพัรษะที่มากระทบฮะเพราะพัรษะที่มากระทบก็คือว่าวันนั้นหนูได้ยินเสียงหลวงพ่อ คือเปิดซิดีฟังะนะคะแล้วหนูก็กาลังอาบน้ำอยู่หลวงพ่อจะพูดเรื่องหายใจเข้าสั้นหรือว่าสั้นคือร่างกายหนูมันก็ทำทันทีทุกครั้งเลยหนูก็อ๋อเพราะว่าผัสสะ ท, ที่มากระทบหลังจากวันนั้นการทดลองแยกแยกขันห้าก็ทดลองดูก็ก็รู้สึกว่ามันไปถึงจุดจุดหนึ่งแล้วมีรู้สึกว่าบางอย่างเนี่ยมันมีความรู้สึกค้างขาคหลวงพอ่อข้างขาแล้ว พอพอครั้งที่4นี่คือแบบไม่ได้ไม่ได้แยกต่อเนื่องกันนะฮะครั้งที่4หนูถึงเข้าใจว่าไอ้ความรู้สึกคลั่งคานั้นก็คือว่าหนูยังอยากมีบางสิ่งบางอย่างฮะแล้วทีนี้ก็หลังจากวันนั้นมาเนี่ยมีอยู่วันนึงหนูไปเห็นขั้นตอนการทํางานของจิตก็คือว่ามันจะเป็นภาพเหตุการณ์ขึ้นมา2อสาภาพเหตุการณ์ซึ่งต่างช่วงอายุกันก็คือว่าช่วงเด็กช่วงเป็นวัยรุ่นแล้วก็ช่วงอายุ20่กว่า แต่ละเหตุการณ์ไม่เกี่ยวข้องกันเลยแล้วมีการตัดสินแล้วการให้ค่าให้อารมณ์ทีนี้ตอนนั้น ท, ที่ที่เห็นเนี่ยหนูมีความรู้สึกว่ามันมั่วค่ะหลวงพ่อเพราะว่าภาพเหตุการณ์เหล่านี้มันคนละช่วงจังหวะเวลาห่างกัน5ปี20ปีอย่างเงี้ยค่ะแล้วเอามารวมเป็นเรื่องเดียวกันก็เลยเห็นว่าโอ้มันมั่วนี่แบบแต่ก่อนเนี่ยพ อ, พอหลังจากเห็นตรงเนี้ยแต่ก่อนหนูมีความรู้สึกว่าเราทํา แต่หลังจากวันนั้นหนูรู้แล้วว่าทำไม่ได้ออทำไม่ได้ฮะทำไม่ได้แล้วแล้วหลังจากวันนั้นเนี่ยก็มีคือว่ามันจะมาจับที่กลายเป็นพิเศษก็คือขณะที่ทางโลกเรียกว่าเพลินกับ mm hmm. เพลินกับความสุขนะฮะ mm hmm. เพลินกับกาม mm hmm. เช่นหูฟังเพลงเนี่ยหนูก็จะเห็นแต่ความเจ็บปวดของหู mm hmm. ตาดูก็เห็นแต่ความเจ็บปวดของตา mm hmm. แม้กระทั่งอ่านหนังสือ มีแต่ความเจ็บปวดของร่างกายหาความสุขที่แท้จริงไม่ได้เลยค่ะหลวงพ่อแล้วก็ช่วงหลังจากนั้นก็คือมันจะมากระทบกับโลกทีนี้ปัญหาของหนกูก็ยังมีอยู่ที่ว่าหลังจากพักหลังนะคะคือมันไปนรู้จิตคนอื่นว่าเขาคิดเขาต้องการอะไรจา ก, จากเราเนี่ยหนูมีความรู้สึกอึดอัดขยะแข ย, ยง <c oughs> ก, ก็พยายาม พยายามที่จะวางใจให้เป็นกลางแต่ว่าบางทีมันก็กลางไม่ได้แล้วก็ไม่ได้นะกลายเป็นกิเลสเรา呐นะทูสามแทรกเข้าในใจเราเองแล้วก็การบ้านที่หลวงพ่อให้เขาที่แล้วเรื่องที่หนูเล่าให้หลวงพ่อฟังว่าหนูหนูเห็นแสงหนูเดินจงกรมแล้วมันเป็นแสงสว่างพอแสงสว่างจ้าถึงจุดจุดนึงแล้วมีความกลัวน ะ, ะคะคาตอบนี้หนูเพิ่งได้เมื่อคืน ก็คือว่าเมื่อคืนนี้หนูก็ทําสมาธิอีกก็เห็นแสงล้อพอถึงจุดหนึ่งแล้วจิตมันจะถอยหนูก็ระลึกถึงคําสอนของหลวงพ่อขึ้นมาหนูก็ย้อนกลับมาดูแสงนี้ก็สว่างกว่าเดิมแล้วสุดท้ายก็ดับไปก็กลายเป็นความมืดเหมือนเดิมก็มีสติอยู่เหมือนเดิมก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะหลวงพ่อก็ก็คือมีแค่นั้นคือว่นิมแตใดๆเกิดขึ้นนะให้ย้อนมาดูจิต อย่างถ้าแสงเกิดขึ้นกลัวให้รู้ว่ากลัวชอบให้รู้ว่าชอบนะถ้าย้อนเข้ามาที่จิต น, นีมิตรทั้งหมดก็จะสลายตัวไปค่ะหลวงพ่อแล้วแล้วหนูมีปัญหาเรื่องอการทำสมาธิแต่แต่แตขอถามเรื่องเรื่องนี้ก่อนนิดหนึ่งถ้าการละลึกชาติของเราเนี่ยพอระเลึกแล้วไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายในสังสารวัตรแต่ตอนที่ระลึกเนี่ยูมีความรู้สึกว่าพอดูมาเรื่อยเอยเนี่ย มันจบไปแล้วอืมไม่มีประโยชน์อะไรที่จะดูอย่างนี้ไม่ผิดใช่ไหมคะไม่ผิดดีแล้วล่ะตามระ ล, ลึกไปในอดีตนะหรือตามไปเห็นว่าคนนี้ตายแล้วไปเกิดตัวนั้นตรงนี้อะไรเนะี้ยไม่ใช่สาระแก่นสารของการปฏิบัติเลยมันก็แค่ทําให้เรากลัวผิดศีลผิดธรรมเท่านั้นหนะสมัยพุทธกาลก็มีพระนุรุตนะพระนิรุตเนี่ยมีทิพยจักษุ ท่านสามารถเห็นคนเกิดแล้วไปตายตายแล้วไปเกิดเลยเนะยี่ยเยอะแยะไปหมดเลยในเวลาครู่เดียววันหนึ่งท่านไปถามพระสารีบุตรบอกถ้าแต่ท่านพระสารีบุตรผู้เจริญผมมีทิพจักษุมีตาทิพย์เนี่ยเลิศ ก, กว่ามนุษย์และเทวดาทั้งหลายผมเห็นสัตว์โลกนะเกิดดับตายเกิดแลตายตา ย, ตายแล้วไปเกิดอะไรเงี้ยตั้งขันโลกประทัดในเวลาเพียงครู่เดียวทำไมผมไม่บรรลุพระอรหนันต ภาษาดิบุต ท, ท่านบอกว่าตรงที่ท่านเห็นว่าท่านมีตาทิพย์เลิศกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นกิเลสคือความถือตัวว่าแน่เรียกว่ามานลนะตรงท่านเที่ยวดูสัตว์ทั้งหลายตายเกิดนี่ดูออกนอกเลยนความฟุ้งซ่านเป็นอุทาาัดจักรตรงที่ท่านหงุดหงิดใจว่าทำไมไม่บราารลุพระอรหันต์สติเรียกเป็นกิเลสชื่อกุกุจจะเพราะฉะนั้นเราคอยรู้ทันกิเลสให้ดีนะมันมีอยู่นะมีไหม ก็มีอยู่ค่ะยังยังเยอะแล้วก็พอภาวนามาเรื่อยๆเนี่ยหนูตั้งคําถามขึ้นมากับตัวเองคํานึงว่าแท้ที่จริงแล้วคําว่าตัวกลั่ะที่ยึดมั่นอยู่เนี่ยมันลึกแค่ไหนอะคะหลวงพอ่อลึกอะไรลึกสุดๆเลยใช่ค่ะลึกสุดๆจริงๆค่ะลแล้วทีนี้หนูมีปัญหาเรื่องการทํากสิน<ม>คือช่วงช่วงก่อนเนี่ยมันเป็นกสินล ม, มกสินธาตุอะไรที่ธรรมดาเนี่ยมันมันก็จะไม่เท่าไหร่แต่ว่าช่วงหลังเนี่ย าธาตุเนี่ยมันมีาธาตุไฟเข้ามาผส ม, มผสมกับาธาตุลมและาธาตุดินอพอถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยความร้อนที่แบบมันมากมากสุดๆแล้วเนี่ยคือหนูทนไม่ไหวแล้วหนูจะถอยทุกครั้งคะคือพยายามแล้วที่จะรู้ลงไปเรื่อยๆแต่ว่าทนไม่ไหวจริงๆกรสินเนี่ยทําไปเพื่อให้จิตสงบนะไม่ได้ทําไปเผาบ้านเผาเมืองไม่ไม่ค่ะหลวงพ่อมันเหมือนว่าจริงๆไม่ได้ทําเพื่อไปไปจุดจุดนั้นหนูทําสมาธิแต่ว่ามันเหมือนว่า มันเคยจิตมันเคยทํามันก็จะไปทําของมันนะฮะแล้วแล้วทีนี้ก็คือจะแก้ไขยังไงตั้งสติเลยนะเริ่มต้นรู้สึกเอาใหม่รู้สึกเอาใหม่ใช่ไหมคะตั้ต้นนะงั้นเดี๋ยวมันจะไปเล่นกสินแล้วมันจะออกไปทางอภิญญาไปเล่นอะไรนั้นก็ก็ก็มีแอปเล่นอยู่บ้างเนี่ยไม่ไปเผาคนอื่นดินเล่าเลยนะแล้วแล้วหลวงพ่อคะคือตอนนี้หนูพูดตรงๆไปไม่เป็นค่ะหลวงพ่อ ใจใจต้องสงบกว่านี้นะตอนนี้ใจถึงไปนั่งสมาธิอะไรมันก็ออกนอกไปดูไฟดูอะไรนะไปดูมันส่งจิตไปดูนะมันไม่ได้ตั้งมั่นเป็นคนดูนะใจมันยังเคลื่อนอยู่ ก็ก็ก็เหมือนว่าถ้าถ้าปกติแล้ว่ะถ้าปกติหนูจะเหมือนว่าตามดูเป็นเรื่องๆไปอย่างเช่นช่วงนี้ตามดูความทุกข์ของกายก็ดูกายตอนนี้ตามดูตรงนี้ของจิตก็ดูตรงนี้ของจิตคอยดูคอยรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของจิตไปเรื่อยๆนะดูไปเรื่อยๆนะคะหลวงพ่อให้เขินมาครับตอนนี้เราไปตัวกันเกาลนาสการค่ะอ่าเพิ่งเคยฟังธรรมเทศนาจากหลวงพ่อครั้งแรกนะคะ อยากจะขอคําแนะนําในการอ่าเริ่มต้นปฏิบัติ ข, ขี้โมโหไหมขี้โมโหค่ะคนขี้โมโหคนมีบุญนะก็ <c oughs> เ, ะเป็นกิเลสที่ดูง่ายที่สุดเลย <c oughs> ต่อไปนี้พอใจโกรธขึ้นมารู้ทันทาตัวเป็นแค่คนดูนะอย่าไปว่ามันมันโมโหมันหงุดหงิดได้ยินอย่างนี้ก็หงุดหงิดเห็นอย่างนี้ก็หงุดห ง, งิดใจหงุดหงิดง่ายนะพอความหงุดหงิดได้ได้เกิดขึ้นรู้ทันแล้วก็เห็นว่ามันอยู่ชั่วคราวแล้วหายไป ไม่ได้ฝิดฝืนให้มันหายนะเขาหายของเขาเองสงสัยไหมสงสัยรู้ว่ากำลังสงสัยอยู่ค่ะ <c oughs> เลยงงไปแล้ว <c oughs> งงทำไงดีงงรู้ว่างง<ะ>เดี๋ยวห น, น้าแป๊บนึงคนที้ยังไม่หายครับข้องใจมาว่ามาค่ะคือจริงๆแล้วก็มีการอ่าหนูนั่งสมาธิแล้วก็ใครไป ปฏิบัติธรรมค่ะ <anak> ค <lonely> ่ะหลายครั้งที่พอปฏิบัติไปแล้วช่วงที่ปฏิบัติจะรู้สึกว่ามีสมาธิแล้วก็รู้สึกรู้สึกมีความสุขปกติที่อยู่ในชีวิตประจำวันแต่ถ้าพอกลับมาใช้ชีวิตประจําวันแล้วค่ะหลายครั้งที่รู้สึกว่าเป็นทุกข์ลงเลยอยากปฏิบัติบ่อยๆเดี๋ยวจะขอทําอยู่ที่ไหนก็ต้องปฏิบัติให้ได้นะอยู่บ้านก็ต้องทำให้ได้ เราไม่ได้ใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ที่วัดเนี่ยนะงั้นอยู่ที่บ้านก็ต้องฝึกนะอยู่ที่ทำงานก็ฝึกอยู่บนถนนก็ฝึกไปด้วยคอยรู้ทันใจของเราไปด้วยใจของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงตอลอดเวลานะคอยดูความเปลี่ยนแปลงไม่ได้ไปบังคับให้นิ่งนะอย่าไปกดข่มอย่าไปบังคับรู้สบายๆไปอ่ะต อ, อนนั้นกลับมาสการะอลวง่อศึกษาด้วไม่ใช่ <laughs> เอาว่ามาคือจากที่ฟังมาจากที่พี่ๆเขาพูดค่ะสงสัยคำว่าขัดสากับกสินค่ะขัดสากับกสินค่ะคือะอะไรคะขัดสากันการกระทบ <c oughs> เช่นตาเรามองเห็นรูปเรียกว่ามีขัดสทางตาหูเราได้ยินเสียงเรก็มีขัดสทางหูใจเราไปรู้เรื่องราวที่คิดกมีขัดสทางใจขัดส์คือสัมผัส่ะคนไทยใช้คำว่าสัมผัสนั่นเอง อ๋อล้เนาะกะสินเนาะกะสินเนาะเป็นที่ตั้งนะหาวัตถุห า, หาอะไรสักอย่างหนึ่งมาแล้วก็คอยจ้องไว้คอยมองอยู่ไม่ให้ใจหนีไปแห่งจุดไฟจุดเทียนไว้สักเล่มหนึ่งนะแล้วก็มองอยู่ที่ไฟเจอทั้งใจมนะันสงบอยู่ที่ไฟนะมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งท่านเคยเล่าให้หลวงพ่อฟังว่าตอนท่านหนุ่มๆเนี่ยท่านเล่นกสินไฟจุดไฟแล้วก็หลับตาลืมตาแล้วเห็นไฟตลอดเลย แล้วมีอยู่วันหนึ่งถ้านนั่งใ่าก็เห็นรู้สึกนะว่าสว่างขึ้นเรื่อยๆนะมีกลิ่นไหม้ด้วยพาถ้านลืมตาขึ้นมนไฟกำลังจะไหม้กุฏิแล้วเพราะว่าเถียนมันล้มเนาะท่านเลยเปลี่ยนมาเพ่งน้ำแทนเนี่ยเข่งเพ่งไฟนะเขาเรียกกระสินไฟไปเพ่งน้ำก็เรียกกระสินน้ำเพ่งดินเรียกกระสินดิน ลองไปหันเล่นได้นะสนุกออกถ้าเล่กจะสินชำนา น, นก็จะมีกีฬาทางใจพวกอวิญญาทั้งหลายมาจากสินข้าพูดค่ะหน้าต่อไปมีอไหมการนมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่อหนูตื่นเต้นเจ้าค่ะธรรมดาใครเจอหลวงพ่อก็ตื่นเต้นหนูหนูอยากให้หลวงพ่อช่วย ว่าหนูจะเริ่มต้นในการปฏิบัติยังไงดีเจ้าค่ะเริ่มที่ปัจจุบันนี่แหละนะเจ้าค่ะรู้สึกอยู่ในกายรู้สึกอยู่ในใจปัจจุบันเรได้หายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกพนมมือรู้สึกนะรู้สึ ก, สกเห็นร่างกายเคลื่อนไหวเห็นร่างกายไปยักหน้าคใจเราเป็นคนดูเรื่อยๆรู้สึกไปเลยเจ้าค่ะเห็นไหมร่างกายยิงเจ้าค่ะหลวงพ่อเห็นร่างกายไปยักหน้าเห็นไหมค่ะเนี่ยรู้สึกอย่างนี้แหละรู้สึกสบายอย่างนี้แหละ นะอย่าไปนึกว่าการปฏิบัตนะิธรรมนั้นเป็นการทำอะไรพิลึกพิลึกยากยากไม่ใช่แง่ง่ายง่ายสุดๆเลยเอา้าวคนนั้นน่าจรลอยไปยังที่ถามยาวๆอะ่ะรอยแล้วอะ่ะอ๋อสมาธิไม่พอเห็นไหมใจหนีไปแล้ ว, ว <laughs> ทำนะแต่อย่าให้จิตติดอารมณ์อ้อยๆอ้อยญิงซึมๆอะไรเงี้ไม่เอา รู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกให้มากความรู้สึกตัว<พ>อ่<ข>อนไปหน่อยหนึ่งนะมีอีไ<ว>กไหมครับการนวัตกรรมครับคือมีพี่ที่อยู่ข้างหน้าที่พีพ่ผู้ชายที่ถามว่าแบบผมมากเกินไปไหมผมเยอะเกินไปไหมอะไรที่พระอ<พ>าจารย์บอกว่าถ้าเกิดมีแบบมากเกินก็แบบให้ผ่อนออกมาแล้วพระอาจารย์ก็บอกว่าผ่อนเกินไปก็กลับขึ้นมาเนี้ยก็มันหมายถึงว่าพี่เขา ทำสมาธิเกินไปแล้วหรื อ, อยังไงทำสมาธิแล้วไปเพ่งนะเพ่งจิตจเพ่งเพ่งแตยว่า <ๆ S 1> เพ่งแบบรู้รูข้ขณะขณะปัจจุบันมากเกินไปแล้วครับไม่ใช่ถ้า<ม>รู้ปัจจุบันก็ดีสิแต่ว่าเพ่งจนทื่อทื่ื่ซื่อบื้อไปนั้นไม่ดีถ้าเพ่งจนใจอึดอัดเพ่งมา ก, ก้็ใจอึดอัด น, นะถ้าไม่ไม่คอย ร, รักษาไว้เลยใจก็ฟุ้งซ่านหมายที่ที่ที่พระอาจารย์บอกว่าเพ่งมากเกินไปแล้วอึดอัดก็คือสนใจของคนอื่นเราม่ดูของเราเอง อย่ขนาดที่เราคิดเรื่องเขาอเราสึกไหมใจเราไหลไใจเราไหลไปคิดถึงเขาใช่ไหมเราลืมตัวเราเองอันนี้เรียกว่าหย่อนไปตรงขนาดนี้รู้สึกไหมเราพยายามรู้สึกตัวใจมันจะตึงขึ้นมานะจะแน่นขึ้นมาอันนี้เพ่งเกินไปเมื่อปกติเนี่ยจิตถ้าไม่อ่อนไปก็ก็ตึงไปจิตนจะสุดต่งอยู่สองฝั่งจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานรู้ตัวได้พอดีพอดีนี่มีน้อยมากเลยอย่าท้อใจนะ อย่าท้อใจให่ท้อขึ้นมาเพรารู้ทันอีกนะครับก็ก็เลยสงสัยว่าพอดีมันยังไงครับพอดีเหรอพอดีอย่าไปหามันให้รู้ตรงที่มันไม่ถูกอะ่ะแล้วมันถูกเองข้อสอบข้อนี้นะแปลกถ้าหาคําตอบที่ถูกนะจะหาไม่เจอแต่ถ้ารู้ว่าคําตอบอันนี้ผิดนะมันจะเจอที่ถูกเองเหมือนเหมือนกากระบาด น, นี่แหละข้อนี้แหละถ้าตอบรู้ว่าผิดเป็นยังไงก็จะรู้ว่าที่ถูกเป็นยังไง งั้นเรียนจากสิ่งที่ผิดสิ่งที่ผิดก็คือใจมันหนีไปคิดรู้สึกไหมใจมันหนีไปคิดบ่อยครับนะใจหนีไปคิดเนี่ยหย่อนไปใจไปเพ่งบังคับจิตให้นิ่งเลยไม่ให้เคลื่อนไหวเลยอันเนี้ยตึงเกินไปถ้าเมื่อไหร่ใจหนีไปคิดรู้ว่าใจหนีไปคิดเมื่อนั้นจะรู้สึกตัวได้พอดีเป๊ะเลยนะเนี่ยหนีไปคิดอีกแล้วรู้ไหมกาลังแบบง ง, งๆครับงงไสงสงสัย ดูเราปัจจุบันนะงงรู้ว่ากําลังงงอยู่ก็ mm hmm. ดูไปที่ความรู้สึกงงไม่ต้องไปหาคําตอบแต่ดูเราไปที่ความรู้สึกสัง เ, เกตไ้ยจงใจจะดูพอจงใจจะดูจะแน่นขึ้นมารู้สึกไหมจะแน่นขึ้นกลางหน้าอกนะอย่างเนี้เรียกว่าตื่นไะปเวลาที่เราจะรู้จิตรู้ใจเนี่ยอย่าจงใจรู้ถ้าจงใจรู้จะตื่นเกินไปเรารู้สบายๆใช้จิตใจธรรมดาจิตใจเหมือนลิงอย่างเพื่อนเราตอนนี้ ปีใจมันจริงนะวกแว๊กวกแว๊กไปได้เราก็แค่เห็นว่ามันเคลื่อนไหวมันเปลี่ยนแปลงขอคุณครับแนะนํานะไปฟังซีดีหลวงพอ่อไปฟังเยอะๆหน่อยแล้วจะดีนะเป็นคนซึ่งมีธาตุดีอยู่ในตัวอยู่แล้วไปฟังเขา้าเดกที่นี่หลายคนนะที่มีแววจะภาวนาดีนะ น, นี่ค น, นะนเยอะหลายคนอยู่ย พวกผู้หญิงรู้จักใจลอยไหมใจลอยเนี่ยหย่อนไปใจมันหนีไปเราบังคับตัวเองอยากรู้สึกตัวตลอดเวลาจะตึงเครียดเกินไปเอาว่าใจลอยแล้วรู้ทันใจลอยแล้วรู้ทันมันจะพอดีกลับนมัสกา ร, าการหลวงพ่อค่ะขอเรียนถามท่านนิดนึงว่าเวลาที่เรา เวลาเรื่องมากระทบแล้วเรารู้ว่าอันนี้คือเราใจเราเป็นยังไงแล้วเนี่ยตอนนี้มึงถ้เกิดความรู้สึกว่าเหมือนจะไม่สุขไม่ทุกข์นะคะแต่คําถามว่า ไ, ไม่สุขไม่ทุกข์เนี่ยเราจะรู้ว่าต่างกันยังไง ร, ระหว่างการกดกับอันที่เกิดขึ้นรู้จากาปัญญ า, าค่ะถ้ากดใจจะทื่อๆแข็งๆนะอย่างขณะเนี้ยกดไหม <Okay. S 1> ขณะเนี้ยกด mm hmm. มันไม่เป็นธรรมชาติ mm hmm. รู้สึกไหม mm hmm. ย่างเนี้ยเรากดอยมันจะทื่ อ, อ mm hmm. ๆจะนิ่งๆ ส่วนใจเป็นกลางเนี่ยนะมีอารมณ์มากระทบนะใจยินดีรู้ทันยินดีรู้ทันปุ๊บมันจะพอดีเลยเป็นกลางเองยินร้ายขึ้นมารู้ทันมันจะเป็นกลางเองเหตุนั้นพอดนะีแต่ถ้าไปควบคุมไว้นะจะใจจะแน่นๆ่นถ้าใจหนักใจแน่นใจแข็งใจซึมใจทื่ออันนี้บักคับทั้งสิ้นเลยนะเขาคนมีบักคับเล็กๆไม่มากเราะงั้นจะแน่นเบาๆไม่หนักพ<ข>อดูออกไหม อ่าข้างหลังเชิญกราบสมณตการพระอาจารย์นะคะดิฉันเพิ่งได้มีโอกาสได้ที่นั่งตรงนั้นไม่ไมลำโพงมันใส่เลยนะค่ะก็จะเป็นต่อเนื่องจากคำถามเมื่อกี้คือเมื่อตัวเองพยายามรู้นะคะท่านทนี่รู้แล้วเนี่ยขณะเดียวกันก็คิดว่าน่าจะมีตัวเองน่าจะมีสมาธิ แล้วก็ใจใจไม่นิ่งอะฮะคือรู้แต่ก็ยังยังเกิดความรู้สึกที่ที่หนักๆเหมือนเหมือนพระอาจารย์ว่านะคะทีนี้เราก็คิดว่าเออเราน่าจะใช้สมาธิมาช่วยแต่ตอนเนี้ยไม่ไม่เข้าใจนะคะท่านคะว่าสมาธิจะมาช่วยให้เรารู้ได้อย่างไรนะคะกราบขอคําแนะนะําค่ะสมาธิมีสองอย่างนะสมาธิอย่างที่หนึ่งเนี่ยจิตสงบอยู่ในอารมณ์ันเดียวอันนี้ไม่ช่วยให้รู้ดีขึ้นหรอกเอาไว้พักผ่อน สมาธิอย่างที่สองเนี่ยจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่สมาธิตัวนี้ต้องฝึกเป็นสมาธิที่อาภัพนะเป็นสมาธิที่คนไม่รู้จักวิธีที่จะฝึกเอ้าฟังก่อนฟังฟังนะจิตนี้ไปแล้ววิธีที่จะฝึกให้จิตอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยเราทําสมาธิอย่างที่เคยทำมาแหละจะพุโทโธจะหายใจอะไรก็ได้แต่ไม่ใช่พุโทโธไม่ได้หายใจเพื่อให้จิตนิ่งเราพุโทโธแล้วคอยรู้ทันเวลาจิตไหลไปคิด พุโทโธพุทโธพุทโธหนีไปคิดเรื่องอลนะ้รู้ทันพุโทโธพุทโธพุทโธหนีไปคิดเรื่องอรู้ทันตรงที่เรารู้ทันจิตที่หนีไปคิดเนี่ยจิตจะรู้สึกตัวจิตจะตั้งมั่นที่หลวงพ่ อ, อจิตถึงฐานจิตตื่นจิตไหลนั่นแหละพอจิตตั้งมั่นได้แล้วเรียกว่าเรามีสมาธิเพียงพอแล้วสมาธิตัวนี้ไม่ใช่สงบนะลำทางสงบมันจะไม่เดินปัญญาต้องเป็นความตั้งมัน่นถึงจะเจริญปัญญาถ้าเราไปดูพจนานุกรมนี่ยสมาธิไม่ได้แปลว่าสงบ สมาธิแปลว่าความตั้งมั่นแล้วเราจะมาฝึกให้ใจตั้งมั่นเป็นคนดูวิธีฝึกก็คือพูดโธไปหายใจไปจิตหนีไปคิด ร, รู้ตรงที่รู้ว่าจิตหนีไปคิดนี่จิตจะตั้งมั่นฝึกตัวนี้ให้ชํานานญะต่อไปพอจิตมารู้ตัวชํานาญแล้วนะดูลงในกายมันจะเห็นในร่างกายที่นั่งอยู่ร่างกายที่พยักหน้าร่างกายที่ยิ้มร่างกายที่กระพริบตานะเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้ า, ากายกับจิตจะแยกออกจากกันนะ ถ้าเดินปัญญาต่ตอไปอย่าความสงสัยเกิดขึ้นในจิตรู้ว่าความสงสัยกําลังปรากฏอยู่เราจะเห็นว่าความสงสัยก็ไม่ใช่จิตเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้านะค่้ฝึกอย่างนี้แหละคิดว่าตรงจะถึงเวลาก็พอดีจะต้องให้หลวงพ่อท่านได้พักผ่อนบ้างนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับกระผมในขอถือโอกาสนะครับ <c oughs> เป็นตัวแทนของทุกท่านในที่นี้นะครับ กล่าวคําถวายทานที่มีผู้นํามาถวายไว้นะครับขอให้ทุกท่านนะครับตั้งใจร่วมกันอนุโมทนานครับอนุโมทนาในบุญในครั้งนี้ด้วยกันนะครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวา ย, วายเครื่องปัจจักษ์ธัยธรร ม, รรรมและสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แต่พระอาจารย์ปรามโมทปราโมชโช ขอพระอาจารย์ได้โปรดครั บ, พรรบเพื่อประโยชน์สุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบรครบัวตราบสินนนบส้นกาลนานเทิ น, น, นเหยาถาวหาริวหาปุราภริภุรเรนตีสาครังเอวาเมวายโตทินนางเปตานางอุ ป, ปกัรปติอิชิตังปฏิตังตุมหั้งคิปเะเมวาสมิจตุ สัพเพปุเรนตูสังกปาจันโทปนรสโสยโธรามิโชติรโสยถาสัพีติโยวิวัชชันตูสปโรคโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คายยโกภวะอาภิวาธนาสีลิสนิจังุทาปจายิโนจัตตารุธรมาวะทันตีอายุวันโนสุขังพลัง เครื่องปัจจัยไทยทานหลวงพ่อขอมอบให้ท่านคณะบดีนะท่านคณบดีใช้ประโยชน์ในคณะนะใครจิตไหลไปบ้างรู้สึกไหมจิตมันวิ่งไปอยู่ที่นี่เห็ขนขณะที่จิตเราไปอยู่ตรงของเนี่ยเราลืมตัวเราเองตัวนี้ไหนเรียกว่าขาดสติถ้าขาดสติเราก็ไม่สามารถรู้กายรู้ใจตัวเองได้เราไม่เห็น ว่าทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในใจของเราเป็นกองชั่วคราวดูไม่ได้ะขาดสติก็แต่ทานทั้งหลายตรงนี้เราก็ถือว่าได้ถวายหลวงพ่อแล้วนะครับก็คือถึงจะไม่ได้ถือให้กับท่านด้วยมือนะครับก็ขอให้ส่งที่ใจนะครับได้บุญเหมือนกันนะครับน ะ, ะหลวพ่มอบต่อให้ท่านกันนบดีครับาบอนุโมทนาครับใช้ประโยชน์